จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดสนใจอยากจะมาร่วมสนทนาก็ขอเชิญเข้ามาได้ท่านแรกก็อยากเเด็กชายนักคุณ เป็นไงเด็กชายนัคุณพร้อมหรือยังกลับนมัด ก, การค่ะพระอาจารย์น้กคุณครับพี่เจ้าครับนักคุณครับลูกเขียนเขียนหนังสืออยู่ค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะ น, นักคุณครับโอเคพี่เจ้าครับมาแล้วคุณแล้วตอนนี้เลยลูกเดี๋ยวค่อยเขียนได้ไหมครับโอเคครับโอเคพี่เจะาลูกกึ่งมาเลยมาตรงนี้เร็วๆสิครับ แล้วตื๊บจริงโอเคแตโอันนี้สนไหมโอโ้โหสุดโนเลยสิโอ้โหเลยค่ ะ, ะนี่ชาติก่อนคงจะเคยเป็นลิงมาคุณครูเรียกพบผู้ปกครองครั้งที่สองอาทิตย์นี้แล้วค่นะ ค, คุณครูเขียนมายาวหนึ่งหนะ้า เกืะะอบ A4 เลยค่ะวิละกรรมเยอะนะวิลกรรมเยอะค่ะก่อนน้าไม่สชการข้าพเจ้าใช่ก่อนเป็นธนุมานมาก่อนอั้งที่สองวันนี้นั่งๆ่งอยู่เมลจากคุณครูมาไม่กล้าเปิดอ่านเลย <laughs> วิลกรรมสกอสกอลงไม่ไม่ถึงสุดต่างปลายจดหมายสักกาทีคะ่ะยาวหน้าเลยคะ่ะ เป็นหน้าอนใจคุณครูนะเรว่าต้องรักษาสอนรักษาระเบียบค่ะพระอาจารย์ไม่รู้ว่าจะ<บ>จะโดนคุณครูอบรมเรื่องอะไรบ้างเลยค่ะอบรมคุณแม่อาทิตย์นี้ค่ะอเออฟังไปใช่เหตุใช่ผลคย่าไปเข้าอย่าไปเข้าข้างลูกเนะ้านะยค่ะพระอาจารย์เข้าข้างเนี่ยลูกเราจะเสียคนค่ะผิดก็ต้องว่าเพจค่นะค่ะ อที่นี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติให้ได้เช้าเย็นทุกวันค่ะโอเคค่ะการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญนะค่ะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการปฏิบัติธรรมนะค่ะเพยงแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ค่ณพระของเราแล้วกันค่ะพระอาจารย์พยายามทำไม่ให้ไม่ให้ขาดค่ะน้อยบ้างมากบ้างก็ ทำไปค่ะยิงย่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีในงานทางทํานิทนาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงค่ะนงนั้นเป็นงานชั่วคราบได้มาเดี๋ยวก็หมดไปค่ะพะอาจารย์น้อมนำไปปฏิบัติค่ะอาสาทุาซทุค่ะเจะแมาจัดที่ปราบนมัสรรการพระอาจารย์ครับ ว่ามามีอะไรบ้างมสมกัดบ้านครับอ่ามาอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลากจากรักผมเจรินใจทั้งหลายทังวง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 ที่พกเราทุกคนที่เกิดมาเ่ะต้องทํำกันจะสอบผ่านถ้าสอบตกก็ต้องกลับมาทําใหม่ทมําไปจนกว่าจะสอบผ่านถ้าสอบผ่านแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทมําำอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดเออสามารถทําใจให้รับกับความแก่ความเจ็บความตายได้มันก็จะมัก็จะหยุดความการ ม, มาเกิดได้ แต่ยังทำใจไม่ได้ยังทุกข์กับมันอยู่เสอแสดงยังอยากอยากจะเกิดยังอยากจะมีร่างกายอยู่ร่างกายเราต้องคอยดูเรื่อยๆมันไม่มสวยไม่งามด้วยนะ<ำ> ม, มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ<น>็เนกระดูกยีนในกระดูก ม, ม้าม หัวใจตับถังผื่นไตปอดไส์ใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสับน้ำดีน้ำสังเกตน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำไข่เค็มน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็่น้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไ้ใหญ่ปอดไตผังผึดตับหัวใจม้า เนนะื้กระดูกระดูเอนเนื้อหนังปันเ ล, ล็บขนผมอย่านั่งกายไม่สวยงามนะอย่าไปหลงว่าคิ ด, ดว่าสวยงามเห็นนั่งกายของใครต้องเห็นอนาะการสามจุสองอนี่คือของจริงแต่ถูกหนังหุ้มห่อไว้ครับด้าด้าน กูดูบ่อยๆแล้วต่อไปจะไม่แมไม่อยากจะมีแฟนนะถ้าอยากจะมีแฟนก็แสดงว่ายัางมองไม่เห็นนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีวันนี้น้องตะวันยังไม่มานะับไปดีฝากขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณฝนกับน้องน้องอะไรน้องเหมือค น, นะ กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ฝนกับน้องพิมพ์ค่ ะ, ะ น, น้องพิมพ์ทิมค่ะช อ, ออีมอทิมค่ะทิมค่ะพิมอ่านเล่าให้อาจารย์ฟังสิบหกช่วงนี้ก็มีเป็นสวดมนม์ไหว้พระแล้วก็นกสมาธิห้านักสมาธิหนาละสีทุกวันค่ะเอะดีไหมดีค่รับทําใจให้สงบแล้วจะมีความสุขนะคืะคุณแม่ก็พยายามจะให้ ทำได้ต่อเนื่องขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์สำหรับลูกค่ะของฟรีของดีไม่ค่อยช่เพราะเราครับของของไม่ดีของเสียเงนก็เขาก็เขาก็มีความตั้งใจค่ะแล้วเมื่อวานนี้พอดีเป็นวันเกิดเขาด้วยค่ะก็เลยบอกเขาตั้งใจที่ทำเขาก็เพิ่มเวลาเองจ้าห่ะก็จับเวลาเพิ่มบอกเขาเพิ่มอีกยี่สิบวินาทีเป็นห้านาทียี่สิบวินาที ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจะอาจจะนั่งได้นานขึ้นถ้าเขาเห็นประโยชน์จากการจากการนั่งนะอ่าใจเขาเย็นลงด้ความสุขก็หวังว่าก็หวังว่าเขาจะใจเย็นขึ้นนะคะอาจารย์เพราะปกติเขาจะค่อนข้างจะใจร้อนนิดนึงนะคะก็ดีก็มีเราไม่น่าที่สอนก็สอนเขามห้ของดีๆก็ว่าไม่เขา ส่วนเขาจะรับได้หมือไม่ได้ก็น่าแตะเขาค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์คะส่วนของหนูอะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เอที่จะกลับเรียนเล่าอาการให้พระอาจารย์ฟังตอนที่หนูนั่งสมาธิแล้เจ้าค่ะเดี๋ยวนี้หนูก็คือหนูจะเริ่มต้นด้วยการใช้เออิติปิโสใช่ไหมใช่ไหมคะที น, นี้พอสวดสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆ อ, ยอยะคะ่ะแล้วมันมันมันเหมือนว่าอยู่ๆแบบมันมันมันวูบอะคะ่ะพระอาจารย์แบบเหมือนแบบมัน พูดไม่ถูกมืนมันตกตกลงมาแบบมันตกใจอะค่ะพระอาจารย์มันตกใจอะค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าหนูไม่ได้มีอะไรนะคะเขาคือหนูก็ตกใจทีนี้แล้วทีนี้มันบางทีมันก็ลืมเอตกใจแล้วตอนหลังจากตกใจเสร็จค่ะจะรู้สึกว่าสติอะค่ะมันมันไรอะค่ะมันเหมือนว่ามันความรู้สึกรับรู้รอบรอบอะค่ะมันจะมันจะชัดเจ้มาเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันแค่ช่วงระยะเวัา เดียวนะคะแล้วหนูก็จะกลับมาโฟกัสกับการบริกรรมสวดอิติปิโสใหม่ทีนี้พอหนูสวดไปเรื่อยอะคะ่ะอยู่ๆแบบเหมือนอิติปิโสหายคือหนูลืมอคะ่ะหนูลืมแล้วแบบลืมไปว่าสวดถึงไหนอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลยไม่ได้จจว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะเราไม่มีสติหรือเปล่าอะไรเงะะี้ยค่ะแต่เราก็สวดตลอดนะแต่สวดไปเรื่อยมันหายไปอะคะ่ะเราก็เลยจําไม่ได้ว่าเรสวดถึงตรงไหนก็เลยมาเริ่มสวดใหม่แบบนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันจะเป็นอยู่แบบ ที่ที่เป็นอยู่จะเป็นอยู่สักสองครั้งอะฮะในระหว่างการหน้างอะฮะที่มีอาการเหมือนแบบมันมันตกใจแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยมาเรียนบอกพระอาจารย์เอาไว้อะค่ะคือถ้ามันตกแบบมันตกลุ้มอาการก็ดีมันต ก, ม, ก, นกมันแสดงว่ า, าวจิตมันสงบตัวลงชั่วครูแต่ถ้าแตถ้าตกแบบสลบอันนี้ก็มันตามมีสติรู้อยู่ไม่หลับใช่ไหมไม่รู้สึกเตือนตลอดเวลา คือรู้สึกค่ะเพราะว่าหนูยังสวดมนต์อยู่อะค่ะเพราะว่าก็สวดสวดไปตลอดอะคะ่ะ<ม>พระอาจารย์<ม>แบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็มันแค่แบบเดียวอะค่ะพระอาจารย์มันมีความรู้สึกเบาสบายใจหรือเปล่าตอนนี้เกิดอือก็มไม่ถูกแต่ว่าเหมือนแค่ว่ามันมีความรับรู้กับสิ่งรอบข้างได้แบบเหมือนเหมือนมัน มันสติมันแบบมันชัดเจนนะคะพระอาจารย์หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มันบอกนะคะสติมันชัดเจนมากนะคะพระอาจารย์ก็ก็ดีมันอะไรจะเกิดก็รับรู้ไว้แล้วเราก็สวดมนต์ต่อไปเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่ดีและไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญกับมันมันก็ผ่านไป แต่หนูไม่ค่ะคืหนูหนึก ถ, ถึงคำที่พระอาจารย์สอนไว้ตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่ต้องสนใจอะค่ะหนูก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็แค่กลับมาโฟกัสกับคําบริกรรมต่อค่ะแค่นั้นเองะคะ่ะให้รู้ตามความเป็นจริงของมันรู้แล้วเขผ่านไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอืนอนตาเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้ดั่นัก็เหมือนก็บเรานั่งไปแล้วมีฟ้าน้องขึ้นมาหรือฟ้ารับขึ้นมา ก็รับรู้ไปเท่าันเองมองว่าเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามค่ะพระอาจารย่งที่เราต้องการก็คือควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆอ่าเท่านั้นเองงักลับมาที่ส่วนมนต่อค่ะคิดตอนที่เราจําไม่ได้แสดงตอนนั้นเราเผลอสติไปค่ะแสดงพอสติเผลอมันเองมันก็จําไม่ได้ว่าเราพดสวดไปที่ไหนก็ไม่เป็นไรมันเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะ ก็จะก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่แบบนี้ค่ะพระจ่าแต่หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนหลังอะค่ะพอนั่งสมาธิไปเรื่อยๆค่ะเวลามันเหมือนมันแป๊บเดียวอะค่ะไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันมันแป๊บเดียวแต่ว่าจะมารู้สึกตัวว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วคือตอนที่เริ่มเวทนาเริ่มมาเยอะๆอะค่ะอันนั้นจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กังวลกับเรื่องเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะแบบ หมดเวลาสักทีหนึ่งอะค่ะเหมือน<ม>ปั๊บเดียวอะค่ะพระอาจารย์เราเริ่มเราเริ่มมีความความสุขแล้ว ม, มีความพอใจกับการนั่งมันก็เลยไม่ทําให้เรานึกถึงเวลาว่าหมดถึงเวลาเท่าไหร่แล้วเหมือนยวลาเราทำอะไรที่รับเพลย์นี่มันก็จะเร็วเวลา <c oughs> ก็ดีเป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีไ <c oughs> ม่เหมือนตอนเริ่มเริ่มต้นนใหม่ๆคอยดูนาฬิกา ไ, ได้กี่นาทีแล้วได้กี่นาทีแล้ว <c oughs> อตอนนั้นแสดงว่ายังไม่อยากนั่งไ ม, ไม่ชอบนั่ง อ, อยากจะลุกอยากจะออกคอยจ้องรอดูแต่เวลาอ ต, ตอนนี้เราฝึกไปเรื่อยๆแล้วใจเรามีสติให้อยู่กับอารมณ์ธรรมคำวิกรรมห อ, อะไรก็ตามเอาเป็นเพนลินน้ำมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เป็นนิมิตที่ดีไวแาล้วรักษามันไว้พยายามทำไปเรื่อยๆเนี่ย คือระหว่างวันหนูไม่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะพระอาจารย์คือยกเว้ว่าโอเคทํางานก็เรื่องงานหรือว่าอาจจะไปทางกิหละไปดูนู่นดูนี่อะไรไปแต่ว่าไอเรื่องคิดฟุ้งซ่านตอนระหว่างวันนะคะ่ะไม่ไม่ค่อยมี น, ะะน้อยมากเพราะว่าจะพารู้ปุ๊บจะพุทโธธโมสังโฆ ต, ตลอดตลอดเวลาเลยะคะ่ะอาจารย์จะเป็ น, นแบบนี้ค่ ะ, ค ะ, คะ จะเป็นแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความทุกข์นะะหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้พอเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าเราไม่คิดไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากมายค่ะพอเริ่มคิดก็พุทโธธรโมโศมโคลเลยแต่ก็ต้องเผื่ออนาคตที่มันมีอะไรที่ไม่แน่นอนเช่นเหมือนการสูญเสียการพัดพลาดสิ่งที่เรารักเราชอบอะไรเนี้ยเราก็ต้องคอยคิดบ้างอทําข้อสอบไว้บ้าง เวลาเจอเข้อสอบจะได้สอบผ่านจะได้ไม่ทุกข์ค่ะได้เจ้หพาพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะเก็บเรื่องนี้ไปฝึกคิดด้วยจะจะเอาเรืงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่วันนี้มันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเรามันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวไม่ว่าแต่ของอย่างอื่นเรื่องคนอื่นเลยนยถ้าเราไม่คิดเผื่อไว้บ้างเดี๋ยววลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหมือนคนไฟไหม้ที่เราเอง ใอบ้านเครอขารเป็นเป็นร้อยล้านรับยวกลายเป็นพี่เท่าไปยนะถ้าถ้าคิดไว้ตรงหน้าก่อนก็จะไม่ทุกข์มากถ้าไม่คิดเลยเนี่ยวอ้จะทรมานใจามากนี่แหละดูเหตุการณ์ต่ตางๆมันเป็นเป็นบทเรียนสอนใจนะว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนโลกที่เราไม่สามารถควบคุมบางคับให้มันแน่นอนได้ เราต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราจะไม่มันจะไม่ทำให้เราเดือดร้อ น, นก็คือใจของเราเทานั้นมีใจของเราเท่านั้นที่ไม่มีอะไรทำทำใจเราได้นอกจากกิเลส ข, ของเราเองแต่ถ้าเรามีธรรมะมีปัญญามีสติเราก็จะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้หวันหมายกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป เจ้าค่ะพรอาจารย์จะลองฝึกสตินะฝึกสมาธิเยอะเวลาไม่ได้ไม่ได้ฝึกสติฝึกสมาธิใกล้คิดทางบัญญาบ้างควาไม่แน่นอนควาไม่เทียงแท้แน่นอนของสภาวะธรรมของทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าค่ะพรอาจารย์หนูจะเออจะกลับเออจะเอาที่คําสัอนของพระอาจารย์มามาคิดด้วยค่ะพระอาจารย์เรอจะมองว่าโลกนี้เป็นเหมือนแค่โรงละครเหมือเหมือนฟองน้ําก็ได้ ฟองน้ำเดี๋ยวมันก็แตกมันก็หายไปของทุกอย่างในโลกนี้เดี๋ยวมันก็แตกมันก็หายไปแล้วก็มีฟองใหม่ขึ้นมาคนสมัยก่อนสองร้อปีหายไปในหมดนะแล้วล้วก็เหมือนกันเดี๋ยวนะพวกเราทุกคนเดี๋ยวก็เหมือนฟองน้ำที่จะต้องหายไปฟองน้ำแตกไปแล้วก็มีฟองใหม่ขึ้นมารุ่นเด็กรุ่นหนังเราก็เป็นฟองใหม่ขึ้นมา นี่แหละคือสักที่ทัศนว่ามันว่างมันไม่มีสาระมันไม่มีอะไรมันเหมือนฟองน้ำทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเป็นเรืเ่องเป็นจริงเป็นจังอะไรนี่ความจริงมันก็เป็นแค่ฟองน้ํำเองแล้วค่ะอาจารย์อยา่าไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปทุกข์กับมันถ้ามันจะแตกก็ปล่อยมันแตกไปแล้วค่ะอาจารย์หนูจะน้อมนําไปใส่ใน ความคิดในในเอาไปเอาไปพิจารณาตามที่พระอาจารย์สอนค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอืทําอะไรได้ก็ทําไปแต่แต่อย่าทำด้วยความหลงทำด้วยด้วยความรู้ว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวได้ทำดีขนาดไหนเดียววันหนึ่งมันก็ต้องจบลงอยู่ดีเจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะใช้ส่งสั่ ง, งเจ้าค่ะอสาธุสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะ ขอไปที่น้องพีคนน่อนตี้น้องพีเข้ามาแล้วงน้องพีสบายดีนูจะถามสบายดีหรอครับสบายดีค่ะเป็นยังไงไม่ชอบก็เข้าขเลยนะตองให้คุณแม่คอยดึงใช่หมไม่คไม่เลยมาสมัครใจมาเองเใช่ก็ <c oughs> เขาก็วัน uh วันดีคืนดีเขาก็บอกว่าวันน to <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ไม่คุยกับหลวงตานะหม่าม้าว่าทำไมอ่ะลูกเขาไปสวัสดีหลวงตาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะดูหนังแต่เขาก็มาเปิดเปิดคอมเข้าซูมให้หนูทุกครั้งนะคะลุงพีจัดการทำให้ตลอดลงพ่อสบายดีนะคะใสบายดีที่ที่นู่นหนาวไหมคะ เมื่อเช้านึ่เมื่อเช้าประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบมินบาทก็สบายดีไม่ไม่หนาวจนเกินไปพอรับได้สบายเหมือนติดแอร์เทวนาติดแอร์ค่ะลงพ่อหนูก็ไม่มีอะไรค่ะก็ตอนนี้หนูก็ไปทำบุญตลอดเวลาเลยค่ะหนูพ่อไม่ไม่ขาดเลยดี่ทำืุดของเรา าเราติดตัวไปได้บุญบาปนี่เป็นิ่งที่มันจะติดเข้าเราไปบาปก็เป็นของร้อนอยาวไปเอาของเย็ยนไปบุญไของเย็ยนคอ อ, อยากให้หลวงพ่อเมตตาสอนการดำเนินชีวิตให้น้องพีใเด็กวัยเรียนด้วยเจ้าค่ะหลวงพอก็ต้องขยันเรียนไม่ขี้เกียจแล้วก็อย่าเล่นมากเกินไปเล่นได้บ้างเพื่อผ่อนคลายอ อย่าเล่นจยกระทั่งขานการเรียนไปนะการเรียนมาก่อนกลับมาบ้านต้องทํากันบ้านก่อนต้องทํำให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าจะเล่นก็เล่นก็เล่นพอสมควรควรจะทําทอะไรเป็นประโยชน์ดีกว่าช่วยคุณแม่ทํางานในบ้านคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านแล้วทาอะไรหัดทำกับคุณแม่ไปอนี่ทําอะไรบ้าง ไม่ทำอะไรวองงตาช่วยป๊ามาปะปะ๊าล้างพื้นค่ะล้างพื้นตลรงรลถล้างพื้นที่บ้านฝุ่นเยอะมากเลยค่ลงปอกเกือบสองร้อยค่ะเนอะเหมือนอาศัยเขาอยู่แล้วต้องทดใช้ค่าค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัย <laughs> ต้องอย่ยอยู่เฉยๆะเมือ่มอเ ม, ม, มืมาวันอาทิตย์ เมือวัานอาทิตย์หนูก็ไปฟังผ่าไปทั้งครอบบัวไปฟังเทศมหาชาติเจ้าคะ่ะน้องพี่ชอบน้องพีหนูก็ตกใจว่าโอ๊ยน้องพีบอกมามาน้องพี่ชอบจังเลยเกี่ยวกับพระพระองค์ไหนพระลูกไหนอ๋อโอ้ โ, อโหหลายลูกเลยเจ้าคะ่ะก็มีวัดวัดประยูน ม, ม, ม, มีในเทศมหาชาตเนี่ยเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับองค์ไหนเกี่ยวกับพระเวส<อ>สันดรเนี่เก<ๆ>ี่ยวอะไ ส3ามกันมีหูชื่อหนูจำไม่ได้ใช่เยอะมามีทั้งมีมัสซีแล้วก็ฉกกระสั์แล้วก็มีหูเยอะค่ะหลวงพออ่อท่านที่ที่ทวัดประดูท่านมีสองวันเลยค่ะทั้งหมดสิบสามกันค่ะครบวันนี้แสดงมาฟังไม่เข้าหูซ้ายออกหูขวายังไม่เข้าไปในใจหนูห น, หนูไปหนูไปวันที่สองจะขาดหลวงพ่อเพราะว่าคือ น้องพีเมื่อวันเสาร์น้องพีเขาต้องไปเข้ า, เ ข, าเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนค่ะก็เลยได้ไปวันอาทิตย์แต่ก็ได้ไปฟังสองกันสุดท้ายค่ะค่ะก็ดีเป<ด>็นค<า>ติสอนใจเราให้รู้ว่าเนี่ยพบชาติมีจริงเวียนว่ายตายเกิดไม่จริงใช่ค่ะแต่ท่านแบบเทพแบบทํานองหลวงค่ะก็จะฟังค่อนข้างยากต้องตั้งใจมากๆเลยคื อ, ค, อคือทําสมาธิในการฟังเลยค่ะ นอ้น อ, งนองพี่ก็ตกใจมากน้อพี่อยู่ได้เป็นชั่วโมงมตั้งใจฟังเงียบหนูก็หนูก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้ยลูกทําได้ยังไงหนูก็เข้าใจว่าลูกไม่น่าทําได้ในะอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีสมาธิดีเ น, นี่อ น, นั่งเฉยๆได้่ปกติก็จะยุกยิกยุกยิกแต่งวันนี้โหหนูก็ประทับใจลูกชายมากว่าเขาตั้งใจที่จะทําค่ะก็เป็นบุญของเขาค่ะหนูพ่ก็ดีพาเข้าไปให้พบกับเห็นสิ่งสิ่งที่ดี <c oughs> อย่าไปพาไปให้เพ็นแต่สิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะขอให้ <Okay. S 1> หลุงพ่อแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะอคอยศึกษาปฏิบัติทำต่อ <c oughs> ไปนะอ่าทีนี้ี่้าถึงคุณหมอพิเชษแล้วเชิญ ค, คุณหมอการนมัสการพระอาจารย์ครับ เขาความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายได้ปล่อยวางโลกทั้งโลกครับพระอาจารย์โรคทั้งโลกก็คือโรค ก, กระทเนี่ยที่ท่านเรียกว่าโลกทั้งโลกที่พวกเราทุกคนมาเกิดแล้วก็มายึดปฏิกันก็คือโลกกระทำสี่ในก่รลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้แหละเป็นตัวที่ดูดใจให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ก็จากอำนาจของของอวิชชาที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วก็เลยถูกโมหะความหลงเราให้ไปคิดว่าความสุขก็เลยไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือเพราะใจไม่มีตาหูจมูกนิ้งกายต้องอาศัยร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้งกายเป็นเครื่องมือ คนนั้ร่างกายมาแล้วก็ใช้ร่างกายนี้พาไปหาราบยศสรเสรินแล้วก็พอได้มาก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นนา น, านแต่ไม่รู้ความจริงของธรรมชาติของราบยศสารเสรินว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอ่ามัมนได้มาแล้วมันก็อาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคนที่มีบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยเลย ไม่เคยคิดเลยว่าอยู่ดีๆไฟจะไม่บ้านของตัวเองนะอันนี้จังไม่เที่ยงอนาคตควบคุมบังคับผมไม่ได้พอเกิดอันนี้จังขึ้นมาก็เลยเกิดทุกขังตามมาความเศร้าโศกเสียใจเพ่อไปแบกไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดค่อเป็นของเราแน่ความจริงมันไม่ใช่เป็นของชั่วคราว นังต้องสอนใจถ้าอยากจะปล่อยวางโลกก็ต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตารามยศเสรเสริสุขนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ยังต้องทำให้เราทุกข์วันเนี่ยเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันจากเราไปอนาตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้จาบมันไม่ได้งั้นถ้าต้องการที่จะปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดไม่ไปทุกข์กับรายศเสรเสรสุิ ก็ต้องคอยเตือนใจว่ามันเป็นของชั่วขาวล้วพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขเ ร, เราเจอพุทธศาสนาแล้วเราได้ปัญญาจากพุเจ้าได้วิชาว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบมีชี้ใจได้ใจที่สะอาดโดยด้วยการชำระที่เละลบกดลมให้หมดไปจากใจเรามาทำงานนั้นนี้ดีกว่ามาหาความสุข จากการปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อชำระจิตใจใสะอาดโดยสุทดกาจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆแล้วพอใจละสะอาดโดยสุดแล้วมันก็จะให้ความสุขกับเราไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ไม่ต้องกลับมาเพึ่งความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกิดต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเว้นว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ เนี่ยเป็นบุญของพวกเราทุกคนที่ได้มาพุทธศาสนาเราไม่ได้ไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาจะไม่รู้เรื่องอวิชาาวชาโมหะตัณหาจะไม่รู้เรื่องของธรรมรเรื่องของนิพพานเรื่เป็นอย่างไรความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราก็จะเรีน ว, ว่าตายเกิดหาความสุขจากาลาภโยชน์รสญไปไม่ได้ไม่รู้กี่แสนล้านรอบแล้วรอบนี้ตายไปเดี๋ยวถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็กลับมาเกิดใหม่ กลัมาลาบยุสนตเสสนิแต่ถ้าเราเริ่มมีการปฏิบัติทานศีลภาวนานต่อไปแล้วก็จะกลับมาปฏิบัติทานศีลภาวนานต่อจน ก, กว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนานจะพาเราไปถึงนิพพานมาเมื่อถึงนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปยันตอนนี้พยายาม การปฏิบัติทานให้มันติดเป็นนิสัยไปถ้าภพนิชานี้ยังไม่หลุดยังไม่ยังยังไม่หลุดพ้นยังต้องกลับมาเกิดก็อย่างนั้นมันจะมีมีนิสัยที่จะให้เรากลับมาทําปฏิบัติทานศีลภาวนาต่อไป <c oughs> แต่ทางที่ดีพยายามเอาให้พพที่ให้มันเสร็จได้จะดีกว่าเพราะว่าแม้ว่าจะปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่มันแต่มันก็อาจจะ ไม่เข้มข้นพอที่จะทำให้เราสามารถไปถึงจุดหมายปทางได้ก็ได้เย่างตองตายมันเข้มข้นถ้ามันเข้าสู่ระดับของพระอริยนะอันนั้นนะพอเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่มากไม่อย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเพราะมันเสือได้ เกิดไปอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่ทําบุญทําทานรักษาศีลก็อาจจะถูกเขาฉุดไปทางฮะทางเขาก็ได้ครอบครัวที่ร่ารวยแต่โกง น, นะพอได้เงินมาแ บ, บง่ายๆเลยเยอะๆก็ได้ก็ดีเมีกันนี่นะชีวิตแบบนี้อก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้จากการชอบทําบุญทําทานรักษาศีลก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นตเนรลนะหัวงซั์ นี่ทำมาเร็วนะน้าวจารย์เจ้าคะตั้งนาฬิกาปลุกไว้จริงๆหนูตั้งไวทุกวันพุธค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแค่วันบางวันอาจจะไม่ได้เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ตั้งใจจะเข้ามาให้ได้ทุกอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์คะพอดีวันก่อนหนูไปเจอคลิปที่มีคนถามพระอาจารย์เรื่องแยกแยกความคิดกับจิตมังคะไม่แน่ใจแล้วทีนี้พระอาจารย์แนะนําว่าลองพุทโธในขณะที่เรากำลังพุทโธเนี่ย ความคิดจะไม่เกิดแล้วหนูเลยสนใจว่าความคิดจิตแล้วก็สติอ่ะค่ะพระอาจารย์ในการคือพอพระอาจารย์สอนว่าจิตเราอะเป็นสิ่งเดียวที่จะไม่ตายผู้รู้อะค่ะจะไม่ตายจะไปกับเราทีนี้หนูแค่อยากจะเข้าใจอะค่ะในในในส่วนนี้ที่คนนั้นเขาถามมาคะ่ะแล้วพอดีหนูฟังตรงนั้นแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจะคะ่ะพระอาจารย์ค่ะจะกับขอถามพระอาจารย์เรื่องนี้นะคะ่ะเข้าใจไห อาจารย์ล้วเมื่ากินเราเป็นใครเงเป็นอะไรเลยเวลาที่เราฟุ้งซ่านนั่นคือความคิดพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราลองดึงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธไปความคิดจะหายไปพอความคิดหายไปปุ๊บหนูก็เลยกําลังสงสัยสิ่งที่มันขาดไปตรงนี้สําหรับหนูคือว่าแล้วตอนที่เรากําลังพุทโธอยู่นั้นนะคะนั่นคือสติไปจับกับคําว่าพุทโธใช่ไหมคะพระอาจารย์อ คือำพูดโทรก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งแปลว่าเราเราเราเน้นจิตให้มาอยู่กับบังคับมันให้มาอยู่กับคำพูดโทรอย่างเดียว <c oughs> ปกติจิตมันจะไหลไปกับความคิดต่างๆคางที่ไม่ได้ไปควบคุมบังคับความคิดมันจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปแล้วก็ตามไปกับมัน <c oughs> แล้วก็เกิดความทุกข์ต่างๆตามม า, า, าจากความคิดที่เกิดจากกิเลส ทีนี้เราต้องการมาควบคุมความคิดอันนี้ควบคุมความคิดก็ต้องใช้สติสติก็คือการระลึกเรื่ให้เราให้ระลึกเรื่องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้จิตลอยไปกับสิ่งต่างๆนี่ว่าเป็นการฝึกสติให้จิตหยุดลอยหยุดไปหยุดไหลาตามอารมณ์ไหลาตามความคิดต่างๆเนื่องจาเรามีพุโทโธพุโทโธนี้สติเราก็จะมี จะเริ่มมีกำลังอยุดเฉยๆอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีอารมณ์ที่คอยยึดเหนี่ยวไว้มันก็เหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้ําน้ําเชี่ยวที่ไหลมานี่น้ํากระแสน้ํำก็จะพัดคนที่อยู่ในน้ําลอยไป ต, ตามกระแสน้ําแต่ถ้าคนนั้นบางทียังไม่ทันออกจาก บ, บ้านก็เครียดก่อนนะคิดถึงงานที่น้องไปทํายังไม่ถึงที่ถึงงานเลย แต่ใจไปถึงงานแล้วใจมันเร็วค่คะ <laughs> อาจารย์พยายากฝึกยับยั้งใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปอย่าไปคิดถึงอนาคตอดีตก็อย่าไปคิดมันผ่านไปแล้วให้อยู่ในปัจจุบันทำอะไรทำสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นหลัจกจ้าค่ะ ให้รู้อยู่ว่าเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเป็นกันมาตอนเช้าเมื่อก็นั่งสมาธิก่อนเลยพยายามฝึกให้เป็นนิสัยทำไดถ้ถ้าเราถ้าเราบังคับใจเราแต่มันขี้เกียจไม่อยากจะทำตืวนขึ้นมาตารีตารางรีบแต่งเนื้อแต่งตัวรีบทำเลยไปไม่มีเวลาที่จะ ทำใจให้งใย้สงบให้ให้มันเย็นให้สบายแล้วทำทำอะไรให้ทำด้วยสติมันจิตใจมันจะมีความเบิกบานสุเชี่นมากกว่ากันเยอะค่ะเนเคยตื่นเกินมื้อก็ตั้งนาิกาให้เกอดให้ก่อนได้สักสามสิบนาทีให้ไว้สตลอดนั่งสมาธิอัจจะต้องนอนหัวค่ำหน่อยอย่านอนเด็กจนเกินไป เกืบตีหนึ่งทุกวันเลยคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันนี้เรีบนอนเลยคะ่ะจะจะนำไปตึกๆทําไมก็ทำสเพเฮะละทำเรื่องนู้ทนทําเรื่อ ง, งนี้ไอ้ไม่มีวินัยนอนต้องกําหนดเวลานอนกําหนดเวลาให้มันเป็นตารางไปพระพุทธเจ้าสอนานให้นอนสี่ทุ่มตื่นตีสองหรือถ้าห้าทุ่มว่าตื่นตีสาม เพราะนนพอตื่นก็ให้เจริญสติไปทั้งวันทั้งคืนสลับกับควบคู่กับการทําภารกิจต่ามในในในแต่ละวันทนําด้วยสติก็ขาดพระอาจารย์ค่ะโอเคนะขอตัวขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์ท่านค ข, ข็งแรเจ้าค่ะอาจารย์ผรมพิรายเชิญกับคุณอ น, นุคุณกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเลย ค่ะกับมรสการพระอาจารย์ค่ะกาบมรสการพระอาจารย์ครับถึงบ้านเรียบร้อยคําเมื่านแล้ววันนี้ได้นําเอาธรรมะที่ได้ได้เรียนปรึกษาพระอาจารย์ไปขยายความต่อในที่ประชุมทําให้จิตใจสบายขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณหมอพี่ชเชษบอกต้องปล่อยวางต้องกระทั่งอ่า ใช่ค่ะนไ่ได้ก็เลยสบายเลยค่ะสบายจิตสบายก็ทํางานสบายด้วยนะรับเลื่อนเลมันไม่ใช่เป็นของเรานะมนหมทหน้าที่ของเราแล้วก็ปล่อยไปปล่อยให้ผู้ที่เข้ามารับรับช่วงต่อไปก็เป็นปลาร้าขเข้าไปใช่ค่ะแต่ก็คงยังช่วยอยู่นะคะแต่ว่าใจสบายก็ช่วยทํางานไป ก็ดีนนอันนี้ก็ค่ะ <Okay. S 2> เข้ามากค่ะพยายามเจริญสตินั่งสมาธิบ่อยๆ อ, นะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอาหารของใจมีสติมีสมาธิจใจจะอิ่มใจจะมีความสุขใจจะสบายค่ะร้อยำปฏิบัติอยู่ค่ะทุกวันตื่นมาก็พยายามนึกถึงทั้งวันถ้านนึกได้ก็ต้องรีบทำเหนือค่ะ โอเคนะค่ะประสบการณ์สบาใจค่ะพระจารท่านท่นอย่างแรงนะคะออท่านต่อไปคุณนาโฟนไม่ทราบว่าเชื่อบาสัการะพระอาจารย์ผมสันโดษเองครับอสันโดษ อันนี้ไม่ได้ออคุณยาย ม, าม่พอดีว่าออกมาทําธุระข้างนอกครับผมกว่าจะกลับบ้านก็ดึกก็เลยมาไม่ทนันพาคุณยายเข้าสูมก็เลยต้องเข้ามากราบพระอาจารย์โซโล่ก่อนวันนี้เดินทางอยู่เลยอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้มากราบพระอาจารย์แล้วก็มาเรียนพระอาจารย์ว่าเ อ, อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณยายเขาไปวูบ ที่ร้านอาหารครับผมจะโชคดีว่าปุ๊บไม่นานแล้วก็เรียกแล้วสติก็กลับคืนมาพอขึ้นรถมาก็สติเหมือนเดิมก็จิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันครับผมเป็นร่างกายของมันกับรถยนต์น่ะตลอจะเสียแล้วรถจะเสียแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามตามธรรมชาติของเขา ครับพระอาจารย์วันนั้นสติุดผมสติแตกสุดในบ้านครับขนาดผมขนได้ยินได้ฟังทำ ม, มันอย่างต่อเ น, นื่องก็ยังสติแตกอยู่นะ <c oughs> คือมันมันไม่ได้สติแตกเพราะว่าแค่ว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครพระอาจารย์แต่ว่ามีแบบว่าโมโหด้วยเพราะว่าวันนั้นนะฮะเราดูแล้วเห็นแล้วว่าเขาหมดสติไปจริงๆ แต่ว่าเอคนที่ไปทานข้าด้วยเขาเขายังมาพูดบอกประชดหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบง่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพรานั้นที่เราดูแล้วขนาดเราไม่ได้เป็นหมอเรายัางรู้เลยว่าอันนี้คือไม่ใช่อาการแบบนั้นนะอันนี้คืออาการแบบหมดสติไปจริงๆครับผมอาจาจัด <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบเรื่องของเข า, าแต่ละคนงานจะมีความบามรู้สึกไม่คิดไม่เหมือนกัน <c oughs> ครับ ก็ไปเ้าไปครับพระอาจารย์ก็เลยแต่ว่าพอมานั่งทบทวนดูละก็เห็นว่าคุณยายก็อายุมากแล้ว เ, เราพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วอนะมันต้องมีการถ้าท่าจากกันเป็นธรรมด า, าครับพระอาจารย์ <laughs> <laughs> <laughs> เป็นกันบ้านที่ต้องไปต่อยอด <laughs> เนี้ยนเนีัยผมพะอาจารย์ไว้หาโหาอกาศไปกราบพระอาจารย์นะครับไปฟังธรรมนะกุฏิเอาเลยสาธุ ไะกับพระอาจารย์ค่ะอ่าไปที่คุณอุส า, า, าที่นราธิวาสนวัตส ก, การกับพระอาจารย์วันนี้โยมมาคนเดียวค่ะอ่ามีอะไรไหมอ่าไม่มีค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็คือโดนกระหน่ำนิดนึงมีคร้อทดสอบเยอะแต่ว่าผ่านมาได้ค่ะไม่ทุกข์ค่ะอาจารย์เอ่ต้องผ่านนะโลกสิทธิฐานนะคดนัะ แลทุกค่ะรู้สึกไม่ไมค่ะโยมขอพระคุณพระอาจารย์จริงนะคะโยมเอามาใช้ทุกอย่างเลยค่ะโยมได้เจอเพื่อนเสียชีวิตที่โยมเคยเรียนอาจาว่าเพื่อนโยมเป็นมะเร็งอะคะ่เะเขาเสียชีวิตโยมก็ไปแล้วก็ต้องไปเป็นเพื่อนสามีที่โรงพยาบาลโยมก็ได้ไปปรงสังเวยถึงสองสถานที่อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้เห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ทำให้ใจทุกนะคะพระอาจารย์ อยู่กับมั น, นมือร่างกายยังไม่ทุกข์เลยใช่ค่ะโยมยมรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ดีดีจริงๆแล้วก็ยมได้เห็นว่าคําว่าอารมณ์เดียวเนี่ยมันมันใช้ได้จริงๆ <c oughs> อารมณ์เดียวนะคะโยมโยมมาเห็นตอนที่โยมเดินทางไปงานศพเพื่อนที่สบ้า ย, ย้อยนะคะโ <c oughs> ยมเป็นคนนั่งเพื่อนอีกคนนึงเป็นคนขับแล้วเขาบอกให้โยมเนี่ย อเป็นคนบอกเส้นทางยมก็มไ ด, ได้แต่เขาเล่าตลอดทางใช่ไหมเขาคุยตลอดทางยมก็ตั้งใจฟังจนกระทั่งเห็นว่าในขณะที่เราฟังเขาเนี่ยเราไม่ได้ดูทางค่ะอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าเราฟังอยู่กับคําพูดของเขาจนเขาบอกว่ายมต้องบอกว่าถ้า ง, งั้นเราต้องปรับใหม่เราจะต้องรู้ว่าเราดูทางยมก็เห็นว่าขณะที่ยมดูเส้นทางคํานี้เขาพูดจะไม่เข้าในหูไม่ยมมาฟังเยวก็จะไม่เห็นมันจะเห็นการทํางานสลับกันแบบชัดเจนค่ะอาจารย์ อันนี้ถูกไหมคะอ่าก็เหมือนกับเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่จะถูกหรือเปล่าใช่จริงมันเป็นย<ต>ังไงใช่ค่ะโยงก็บอกว่าเอ้าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราทำงานสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันจริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะพระอาจารย์มันจะคั่วกันแบบเห็นชัดเจนเลยค่ะตอนนี้เห็นชัดเจนว่าอ๋อมันสลับคั่วกันแบบนี้เหรอแบบเอ๋อยงก็อึ้งค่ะอาจารย์ยงเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยเราเห็นตรงนี้ได้ด้วยดีใจค่ะพระอาจารย์แล้วก็ โยมจะตัดปัญหาทุกอย่างของโยมเป็นใจ ร, รักหมดค่ะดีค่ะอาจารย์ในใแล้วก็จะปล่อยวางจะไม่ทุกข์ใช่ค่ะแล้วก็โยมไปโรงพยาบาลกับสามีรอบนี้นะคะรถยนต์เราเสียใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินทางโดยรถประจำทางแล้วก็ต้องเดินค่ะเดินเป็นกิโลเลยแต่ก็ไม่ทุกข์ก็ม่น่าเออก็ดีเนาะสูงสุดสูดสามัญ <c oughs> เข้าสู่ภาวะปกติค่ะอาจารย์ แล้วก็พอกลับจากซูงไหก็ลกมยมต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านคนเดียวยมก็ลืมตัวค่ะอาจารย์ยมก็คิดว่ายมก็ขับแบบที่เราเคยขับตามที่โยมเคยเรียนว่าจิตของเรามันไม่ได้แก่ไปตามร่างกายไงค่ะอาจารย์ยมก็ขับรถแบบฟุบขับก็ค่อนข้างเร็วอยู่จนนึกได้เฮ้ยเราแก่แล้วนะแล้วผมขาวแล้วนะยมก็ได้เบารถลงค่ะอาจารยก์ก็อื็ชีวิตมันก็มีความสุขอาจารย์ทุกมันไม่ได้ทําให้เราเป๋ไป แป๊บเดียวเองค่ะอาจารย์ที่โยมเคยบอกว่าเมื่อก่อนโยมจะทุกเป็นวันๆแต่ตอนนี้แป๊บเดียวโยมก็ตัดลงตัดลงดีค่ะอาจารย์มีความสุขค่ะมีสติมีปัญญามันก็จะตัดได้เร็วใช่ค่ะโยมโยมเห็นแล้วว่าแล้วแต่สิ่งที่โยมทึ่งคืออารมณ์เดียวนี่แหะค่ะอาจารย์โยมทึ่งจริงๆโยมเห็นชัดเลยว่ามันสลับขั้วกันแบบนี้นี่เองก่อนหน้านี้คิดว่าเราทํางานทีเดียวสองสาอย่างในเวลาเดียวกันแต่จริงๆเราเห็นเลยว่า ขณะที่เราฟังเราก็ฟังแต่เมื่อเราดูทางเราไอ้คาพูดเขาไม่ได้เข้ามาในโสตประสาทเราเลยค่ะอาจารย์ใช่ถ้าเป็นงานที่<ม>เราต้องใช้ใช้สติมากมันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สติมากมันก็อาจจะทำํำพร้อมๆกันไปได้ใช่ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าโยมต้องตั้งสติใหม่ตอนจะขึ้นรถตอนจะขากลับอะคะ่ะโยมต้องตั้งสติว่าต้องดูทางนะฟังเขาอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวพาตเตลิดอะคะ่ะอาจารย์<ม>ก็ ก็สําเร็จค่ะแต่ว่ายมขออนุญาตเรียนพรอาจารย์นะคะเผื่อเป็นกรณีศึกษากรณีเพื่อนยมทิเสียชีวิตนะคะยมทึ่งเข้ามากเลยเขาสั่งน้องเขาว่าไม่ต้องยื้อไม่ต้องช่วยช่วยลมช่วยหายใจอะค่ะไม่ต้องช่วยแล้วเขาก็เตรียมเสื้อผ้าของเขาไว้พร้อมวางเมนูอาหารในงานศพของตัวเองไว้พร้อมแล้วก็สั่งน้องว่าให้เป็นนิมนต์พระรูปนั้นมาเทศในงานศพของเขา แล้วก็บอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยให้น้องเขาดูแลให้เต็มอย่างดีค่ะจาน<ม>ันโยมเพราะขนาดเพื่อนโยมเป็นแบบนี้โยมรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>เราจะต้องนั้นเอามาใช้เป็นกรณีศึกษาแล้วค่ะจย์ต้องเตรียมแบบเขาบ้างอะคะ่ะ<ม><ม>ก็เหมือนกับคนที่ถามพระพุทธเจ้าว่าจะทํากับประศพของท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าก็าสั่งไว้ก่อนเนี่ยว่าให้เก็บไว้ไม่เกินเจ็ดวันเวลาเผาก็เอาผ้าขาวมาพันกี่ร้อยรอบก็ไม่ใช่ ใส่ไว้ในฐานน้ำมันแล้วก็เอาอธิก็ให้แบ่งไปให้กับประสัตแค่นต่างๆอย่างนี้ของเพื่อนโยมเขาไม่เคยปฏิบัตินะคะพระอาจารย์แต่ว่าเขามีสติโยมก็รู้สึกทึ่งในในการปล่อยวางของเขาว่าค่ะเขายอมรับความจริงว่านที่เขาก็ต้องตายถ้าไ่ต้องตายเขายตอนนี้ไองเขา ตอนที่โยมคุยแน่แล้วว่าค่ะพี่จันโยมว่าว่าจงว่าไปให้กําลังใจเพื่อนไม่รักษาใจเวินแช่งเขาแต่ว่าโยมฟังแล้วโยมรู้ว่าเขาไม่ไหวไม่ใช่ตัวเขาอะค่ะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดแต่เรื่องงานศพของตัวเองเขากลัวจะตายตามพอคิดพอวานพอคิดแอะไรจะตายตามความคิดก็เลยไม่กล้าคิดกันแต่แต่โยมก็ของโยมก็คุยกับเพื่อนที่อยู่ศพเรามาเจอกันอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาเขียนไว้เป็นเล่มเลยค่ะเขาบอกเขา เขียนเอาไว้ให้ละเอียดว่าเขาอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลอะไรรหัสเอทเอมอะไรทำอะไรไว้เขาเตรียมไว้หมดเลยค่ะ ใ, ใช่แสดวเ ข, ขายามรับความตาย<ช>เป็นของที่แน่นอนพอเรามาเจอกันเราได้แลกเปลี่ยนสิ่งนี้การยมรู้สึกว่าเออมาเรามาถึงวัยปลายแล้วแล้วก็เตรียมแต่ยมบอกว่าแล้วรูปถ่ายอัดมาได้ยังเขาว่าอย่า ง, า ไ, างไม่ต้องเตรียมไว้นะเดี๋ยวเกิดตรงวันอาทิตย์ร้านผิด เถ้าวันเดี๋ยวเขาจะไปทําแต่ของโยมโยมทําลูกให้พร้อมแล้วค่ะอาจารย์โยมเลือกลูกที่โยมชอบไปแล้ว ค, ะค่ะอาจารย์ค่เดี๋ยวก็ขอบคุณพระอาจารย์นี่นะคะโยมโชคดีมากเลยค่ะทําให้มากลายมาเป็นคนแบบนี้ได้ะค่ะอาจารย์จากคนที่แบบคนละคนเลยค่ะอาจารย์เพื่อนยังบอกว่ายมเปลี่ยนไปใช่คาสอนพระาจ้าก็เป็นคําสอนเพิ่มมา อาจารย์มาเปลี่ยนทิศทางของปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลโยมค่ะโยมแล้วก็ตอนที่เขาให้โยมไปทำโยมก็ไปทํานะคะเขาเชิญให้โยมไปวางพักใจโยมก็ไปทําทุกอย่างให้เพื่อนนะคะแต่โยมรู้ว่าเป็นพิธีกรรมแต่โยมรู้ว่าในขณะทียมเดินไปอะค่ะโยมอยู่กับอารมณ์เดียวจริงๆนะคระอาจารย์โยมว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อที่ว่าคนที่เป็นแบบเราเราจะอยู่แบบนั้นได้ค่ะอาจารย์โยมรู้สึก ประทับใจโ mm hmm. ยมขอขอบพระคุณพระอาจารย์จริงๆนะคะอาจารย์โยมมาเจอมาเป็นแบบนี้ได้แม้กระทั่งน้องเพื่อนยังคิดว่าน้องเพื่อนยังพูดเลยว่าโยมเป็นคนเงียบเงียบไปแล้วนะแล้วจากคนที่คนชอบหัวเราะอะค่ะอาจารย์เป็นคนเงียบเงียบไปเออก็แปลกดีค่ะอาจารย์เนี่นเป็นเป็นเปลี่ยนไปในทางทิศทางที่ดีใช่ค่ะจากคนที่ว่าอารมณ์ร้อนค่ะอาจารย์โยม โยมให้โอกาสคนแค่สาครั้งเท่านั้นนะคะครั้งที่สี่โยมเอาเลยแต่ตอนนี้โยมก็ตั้งตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแก่อะไรไม่ได้แล้วมันตัดมาตรงนี้เสร็จก็จบแต่โยมมีโอกาสคุยกับเพื่อนนะคะที่เขาทุกโยมบอกว่าแต่โยมไม่สอนเขานะคะโยมแค่เอาเรื่องของโยมมาเล่าให้เขาฟังว่าโยมมาทุกทุกของโยมเนี่ยเอ่อตอนนี้ที่โยมทุกอยู่คือเรื่องลูกเดี๋ยวโยมเล่าให้เขาฟังนะเรื่องลูกเพราะว่าโยมไม่ได้หวังอะไรจากลูกโยมแค่ปรารถนาดีจากลูก ให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่โยมบอกว่าจริงๆแล้วเรามองไปให้ลึกๆอ่ะคือความอยากของเรานะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะลูกเป็นนั้นดีแต่คนที่สุขคือเราแสดงว่าเราคืออยากโยมก็บอกพูดพูดให้เพื่อนฟังค่ะจารย์จริงโยมจะสอนเขาโยมก็ไม่กล้าสอนแต่โยมเอาของเรื่องโยมของให้เขาฟังเขาก็ฟังแล้วก็โอเคดีค่ะตอนนี้โยมก็ ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยมรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราควบคุมไม่ได้เราก็สุขอยู่กับสิ่งที่เราหวานได้อาจารย์โอเคครับทุกทุกขอาจารย์ยีสิบเอดถึงยีสิบแปดยมขึ้นเขานะคะแตอนนี้มีตอนนี้มีคนมารอรอกราฟอาจารย์มาเร็วไอดิสยาเลยดิสยาออกมาจากห้องค่ะอาจารย์นวมัตการค่ะพระอาจารย์ มันเพื่ยครับคุณีเ ข, เข้ามายกเสวนี้นมันเกี่ยู่ในห้องค่ะอะมุมมันแปลกๆนะคะอาจารย์วันนี้ค่ะอะ ส, สาาารอรส น, นิยมค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์อ่าอืมตอนตอนอืมช่วงปีใหม่อะค่ะที่เรียนถามพระอาจารย์ไปอะค่ะคือตอนนั้นหนู ย, ยังไม่ได้บอกพระอาจารย์ว่าตอนตอนที่ปฏิบัติธรรมอะค่ะทำอะไรบ้างคือคือช่วง คือช่วงนั้นก็คือทําแบบตอนที่ขึ้นเขาอะค่ะคือไม่ไม่เปิดไม่เปิดมือถือแล้วก็ทําทําแค่นั่งสมาธิกับนั่งนั่งสมาธิกับอ่านหนังสือธรรมะค่ ะ, ะไม่ให้มีเสียงอะไรเข้ามาเลยแต่ว่าแล้วก็ตอนที่หนูหนูถามพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติต่ออีกสองสองสาวันค่ะพระอาจารย์เลยเลย ม, มาเจอว่าเออหนูไม่ค่อย อืมหนูขนัดอานาปนสติมากกว่าค่ะพระอาจารย์คือว่าตอนที่พอจะพุโทโธพอพุโทโธแล้วหนูลองปล่อยให้มันแบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันเกร็งไปทั่วทั่วร่างกายค่ะตอนแรกกะจะปล่อยไปก่อนเพราะว่ามีบางทีเหมือนกันค่ะพอพุโทโธแล้วมันก็เข้าไปในที่ว่างได้เลยจกลงไปปุ๊บแต่ว่าคราวเนี้ยค่ะไม่รู้สึกว่าใจมันบอก ว, ว่ามันไม่อยากคิดหนูเลยเปลี่ยนไปทําอานาปนสติค่ะทุกอย่างมันคลายไปเลยค่ะพระอาจารย์ เรู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบยอมรับคือหนูก็อยากจะพูดโทรให้เหมือนกับนคนอื่นนะคะไม่อยากให้แตกต่างค่ะ<ก> แ, แล้วแต่เจลีของแต่ละคนไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันแบบรู้สึกไม่เข้าพวกค่ะก็ะเลยไม่เป็นไร <c oughs> อ น, นามานาสตินี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีหลักที่พระเจ้าทรงสอนในสติประทานสี่ อ่าค่ะพระอาจารย์พอหลังจากนั้นนะคะเวลาที่มันมีอะไรที่มันคิดเยอะๆปุ๊บพออาณาปาพาปุ๊บมันสงบไปตลอดวันสองสามวันนั้นเลยค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าการเข้าที่สงบมันค่อยๆเหมือนเรือค่อยๆวืบๆืบ บ, บ, บไปแบบเนี้ยค่ ะ, ะแต่ว่าไม่มีอะไรมากวนใจค่ะพระอาจารย์มันไม่อึดอัดเหมือนพุโทโธพอพุโทโธแล้วหนูแบบรู้สึกเกรงมากๆอะคะ่ะในบบวิธีไหนก็ได้ถ้าทําใจให้สงบได้ก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์ ได้คะ่ะพระอาจารย์แล้วก็พออย่างที่พระอาจารย์แนะนะําค่ะพอออกมาแล้วมันสงบคือตอนแรกมันมีความคิดตลอดพรอพุโทโธมันยิ่งสู้คะ่ะพระอาจารย์ทํเพราเพราะว่าพวกครั้งที่มีความคิดเหมือนมันมีช่องออกมาแล้วเขาก็ออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็ใช้แบบใช้พุโทโธแล้วทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยมันไม่มีได้ยินเสียงอะไรเลยรู้สึกชอบแบบปุ๊บมันเงียบไปเลยอะคะ่ะหนูก็เลย mm hmm. ชื่อว่า ยอมรับความจริงก็ได้ไดแ้แต่บางเวลาท่านเจอความเครียดใจเครียดมากๆบางทีดูลมมันจะไม่อยู่ก็ใช้พุทธโธแทนก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะ<ต>บางนั่งไปแล้วเจอเจอการเจ็บปวดเนี่ยบางทีดูหลงแล้วมันสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนมาเป็นคำอะไรคำแทนก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็มีสลับไปบ้างค่ะเพราะบางที ถ, <ม>ถ้าไม่ได้นั่งรถขยับแบบการเดินนูน่นนี่มันก็จะสลับไปพุทธโธบ้างค่ะพระอาจารย์ใช่ ไม่ต้องรู้จักเหมือนขับรถอ่ะต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์เกียร์ต่มเกียร์สูงแล้วแต่รถอยู่ในสภาพคามเร็วเท่าไหร่ดีว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าไปยึดอย่างใดอย่างหนึ่งจนทำให้การปฏิบัติมันขูกขัดมันไม่ลข้งตัวต้องรู้จักสับเปลี่ยนบ้างรู้จักลองผิด้องถูกบ้างของบางนี้มันไม่ไม่เป็นไรหรอกเราได้ ถ้ารู้ว่าไม่ถูกก็ก็อยาก็เปลี่ยนไปวิธีหนึ่งลองดูนะคอาจารย์แล้วก็ที่พระอาจารย์แนะนำว่าพอลองให้ให้ใจมันสงบปุ๊บแล้วก็ค่อยค่อยหลังจากออกมาแล้วค่อยเรียบเรียงปัญห า, ห น, านู่นนี่มันก็จะมองเห็นรายชัดขึ้นจริ ง, รงเอเดีอย่าไปเรียบเรียงตอนที่เราลองท ำ, ทำทำจนทร์สติพุทธโธอยูออ่ดูดูลมอยู่ โอเคอาจารย์ตั้งเป้าการปฏิบัติไปเน่ตั้งตารางไว้ถ้าไม่ตั้งตารางว่เดี๋ยวมันก็ทะเลทลายไปทำเรื่องอื่นไปเล่นเกมอยู่ค่ะตประจานยอจะยามค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์นัางแรงนะคะสาธุอาจารคุณแนอันนี้อยู่ที่ไหนกลับมาเมืองไทยแล้วแล้อยู่ที่ ฮาวายอยู่ฮาวายอยู่คาเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อเ ช, ช้าอย่ช่วโมงจากจากโตจากออส ก, การ์ไปช่วงนี้กไม่ไกลมากคา่ะเออขาขามาถึงฮาวายแค่หกชั่วโมงครึ่งค่ะเหมือนเข้าเหมือนไปเหมือนเมืองไปเมืองไทยช่วงนี้หน้าหนาวแตไม่ได้กำไรเวลาใช่ไหมเอาเอาเอ า, เอาก่อนถ้าไปถึงไปถึงก่อนที่เร า, เ อ, าออาเวลา อะไรนะคะหมายความว่าไงนะคะในวันนี้ออกสมมติออกที่ที่ที่ญี่ปุ่นตอนสองทุ่ะไปถึงที่นั่นตอนเช้าของวันเดียวกันใช่ค่ะก็นอนก็ต้องนอนนี่แต่ว่านี่ตอนนี้ที่นี่ตอนนี้ตีตีสี่ค่ะก็พรุ่งนี้พอดีว่าขากลับไม่ไม่ไม่ได้กลับเช้าว่าค่ะมีเวลาพักผ่อนก็เลยตามเวลาไทยนั่งรอเข้าซูมค่ะ วันที่สี่ที่สี่ของวันอะไรวันวันน้องควันอ่าจะช้ากว่าช้ากว่าเมืองไทยสิบเจ็ดชั่วโมงมั้งคะก็ยังเป็นเพิ่งเป็นวันเช้าใช่ค่ะเช้ามืดของวันพุดอยู่ใช่ค่ะที่นี่สองท่มนะใช่ค่ะแต่ว่าพอดีว่าโชคดีว่าพรุ่งนี้ไฟล์ที่บินมันเป็นไฟล์บ่ายค่ะก็เลยไม่ต้องรีบนอนนอนแอบแอบนั่งนั่งสมาธิรีบรี่ไปรอบนึงแล้วก็นั่งสมาธิรอเข้าซูมไปได้รอบนึงค่ะ ค่ะก็อเวลาอยู่เรื่อยๆนะใช่ค่ะก็ก็บินมา21ปีนี่หนูถือว่าโชคดีนะคะเป็นคนนอนนอนง่ายกินง่ายก็เลยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาพวกเรื่อง็ e แล a กเท่าไหร่ให้นอนตอนไหนก็ได้ตื่นตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ก็ก็แอบพอแก่ตัวลงแล้วมันก็เริ่มเริ่มเริ่มเหนื่อยง่ายหน่อยเหนื่อยง่ายมากขึ้นค่ะ ก็วันนี้ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็ก็อพยายามเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อหนูก็เอาธรรมะที่ที่ได้ในแต่ละวันของที่มาจากหลวงพ่อจากฟังธรรมของหลวงพ่อค่ะก็มาใช้ในชีวิตประจําวันก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะล่าสุดหนูลองเอาลองลองเอาอ่ธรรมะที่หลวงพ่อเคยมีคนถามหลวงพ่อบ่อยมากเลยว่าจะวางจิตยังไงเวลาเราเจอคนในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะบางทีเรามองแล้วเราก็ จิตปรุงแต่งโมโหเขาเนื้อนี้นนั่นใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อก็จะบอกว่าก็ให้มองเขาเป็นเป็นเอผลไม้บ้างไม่ก็ให้มองเป็นเป็นอากาศเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าให้มองเป็นอ่าดินน้ําลมไฟแล้วแต่แล้วคราวนี้ยเมื่อเมื่อเกือบเดือนที่แล้วหนูก็พยายามลองลองใช้วิธีมองคนว่าเป็นเป็นธาตุสีใช่ไหมคะ แต่ว่ามันไม่สําเร็จค่ะหลวงพ่อหนูก็มองแล้วหนูก็ก็ยังมีพอมองอะ่ะเหมือนเหมืนมนอนเราหลอกตัวเองอะค่ะหลวงพ่อว่าเราไม่คิดอะไรใช่ไหมคะว่เออเขาก็เป็นแค่ติน้ําลมไฟแต่พอได้ยินเขามาพูดหรือเขามองเราหรือว่าใช้คําพูดใช้สายตามองมันก็ตกไปละจิตจิตหลุดไปไปปรุงแต่งไปโมโหใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบเออมันมันทํายังไงนาะถึงจะจะได้เราทําผิดตรงไหนอะไรเงี้ยทําไมฟังธรรมะม า, มาคือเข้าใจเข้าใจทุกอย่างเลยว่าต้องมองอย่างนั้น ต้องทําให้ได้อย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนเข้าใจแค่แค่ความคิดแค่สมองอะค่ะแต่ว่าใจเรามันมันทําไม่ได้แต่อยู่ดีเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะหลวงพ่อหนูลองทําหนูลองทําอีกรอบหนึ่งแล้วมันเหมือนเหมือนเจอเจอจุดที่ว่าอ๋อมันต้องมองอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าสองสาวันนี้มาหนูหนูกโกรธน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ใจเย็นมากเลยมองมองคนรอบข้างแบบ มีแต่แบบเหมือนเหมือนเหมือนมองแล้วมีความสุขอะค่ะคือหนูมองเขาเป็นเป็นดินน้ําลมไฟใช่ไหมคะแล้วหนูก็บอกตัวเองว่าเนี่ยมันก็แค่ดินน้ําลมไฟทุกคนเลยเนาะเดินที่เดินผ่านเดินสวนกันเนี่ยมีแค่จิตมาเกาะอยู่ที่ ท, ที่ที่ตัวที่ตัวดินน้ําลมไฟเนี้ยหน้าตารูปร่างแตกต่างกันไปตัวเราก็ดินน้ําลมไฟแล้ว ก, แวก็แล้วก็มีแค่จิตมาเกาะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปโกรธเขาทําไมเขาก็ใช้ชีวิตของเขา เดินเดินเราก็แค่เห็นว่าเขาเดินมองก็เห็นแค่เห็นว่าเขามองเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันกลายเป็นว่ามันคลิกอะค่ะหพ่อหนูก็เลยสองสมวันนี้มาหนูเลยใช้วิธีนี้เวลาเดินเวลาทํางานเจอผู้โดยสารหรือเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็เวลาใช้เดินออกไปเดินซื้อของเจอคนเยอะๆค่ะก็จะแบบใช้วิธีีมองมองแบบนี้ค่ะหลวพ่อมันการว่าหนูหนูทําได้ ธรรมะตรงนี้ที่หลวงพ่อสอนนะคะตอนนี้เลยรู้สึกมีความสุขแบบเหมือนกับแฮปปี้ว่เอ้ยทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจด้วยใจจริงๆไม่ได้เข้าใจแค่ทฤษฎีอ่ะค่ะค่ะดีก็ค่ะมันเหมือนบางทีบางทีต้องมันต้องลองผิดลางถูกดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะหนูเลยเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าบางทีธรรมะเนี่ยมันอมมันเป็นทฤษฎีที่ที่เอ่อเป็นเ้าเรียกอะไรนะคะเป็น สัตวธระทใช่ไหมคะคือมันอยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะมันมันคือความจริงแต่มันอยู่ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจได้แต่ถามว่าเอาไปปฏิบัติได้จริงไหมมันมันแล้วแต่เลยจริงๆว่าเราเราเราเข้าใจแล้วเราเจอจุดที่มันมันทําได้ตามนั้นจริงหรือเปล่าคือถ้ามันทําได้ครั้งหนึ่งแล้วถูกต้องมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดเลยแต่ว่าถ้าแค่เข้าใจทฤษฎีแต่ว่าปฏิบัติ ยังไม่ถูกต้องอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องต้องหาวิธีอีกอะค่ะใช่ไหมคะหนูงพอ่อคือเหมือนอย่างนั้นวันเนี้ยหนูหนูหนูหนูคลิกตรงเนี้ยละเหมือนกับมันอยู่ในใจหนูตลอดแล้วอะค่ะมันไม่ได้ว่าต้องแบบเอ้ยครั้งหน้ามันจะทําได้อีกไหมอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าพอคลิกเข้าใจตรงนี้แล้วทําได้แล้วมันก็จะเหมือนทําได้ตลอดไปเงะะี้ยค่ะก็หลวงพ่อเจ้ะค่ะแลยแอบดีใจใช้ชีวิตใช้ชีวิตในปร ะ, <อ>ประจําวันได้ดีขึ้นไม่ต้องไปแบกเขาไม่ต้องไปแบก ไม่แบบไม่เอาใจไปอยู่ที่ใครไม่เอาใจไปมองอะไรพ อ, อพอแล้วเสร็จแล้วพอนอกจากนอกจากอ่าอ่ามองเนี่ยมันทําได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาได้ยินนะถ้าถ้าได้ยินอะไรขัดหูอะ่ะเมื่อก่อนก็จะโมโหใช่ไหมคะอมตอนนี้ก็คือเสียงที่ได้ยินก็หูก็ใช้จะใช้วิธียังใช้พุโทโธอยู่เจ้ค่ะพุโทโธก็ช่วยดึงกลับดึงกลับออกมาแต่ว่าถ้าถ้าอย่างเจอคนเดินสวนกันไปธรรมดาหนูก็แค่มองให้เขาเป็นแค่ทัด เป็นธาตุสีแล้วก็มีจิตเป็นเป็นธาตุสีที่มีจิตไปก่อนแต่ถ้ามีต้องไปมีการปฏิสัมพันธ์มีคุยมีอะไรแล้วมีการถกเถียงกันหนูก็จะใช้วิธีดับโมโหด้วยการใช้พุโทโธดึงสติกลับมาก็ค<ไ>ือใช้สองอย่างเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะแค่นี้ค่ะหลวงพ่อมารายงานมารายงานเรื่องเอาธรรมะธรรมะมาใช้ช่วยในชีวิตประ จ, จําวันของหน<ไ>ูตอนนี้ค่ะ <Okay. S 1> ขอบพระคุณหลวงพ่อจะพาก็คือได้เอามาวันไหนหลวงพ่อสอนอะไรมาหนุนทุกวันนี้เหมือนเหมือนเป็นนักเรียนนะคะลองเอาไปใช้ดูเอาไปปรับใช้ดูในชีวิตดูมันช่วยได้หลายๆข้อค่อยๆทีละข้อทีละข้ อ, ล, ขอลองทําข้อสอบไปมันจะมีสามสามคำตอบที่เราสามารถมาใช้ได้อันนัตตาแล้วคือดินน้ํามลมไฟอันนิรังก็คือไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมทุกขงังก็คือมันเป็นทุกข์ถ้าเรา ถ้าเราไปยุ่งกับเขามันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เลยแบบไม่อยากยุ่งกับใครเลยพค่ะเห็นอะไรปุ๊บก็รีบโทรกลับมาก่อนเลยกลัวไม่อยากไกเอาจิตไปเกาะใช่ค่ะความอยากของเราอยากเขเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบเออไม่ไม่ไม่ยุ่งกับใครมันก็ดีเนะแต่บางทีก็รู้สึกที่เราแบบว่าปล่อยวางบางเรื่องที่แบบอืมช่างเขาเถอะอย่าไปยุ่งเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้ว อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องของญาติที่น้องหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบว่ารู้รู้ว่าช่วยก็ได้แต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแต่คือเราเลือกที่จะไม่ช่วยเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่ตัวไหมคะก็ไม่ได้มีความเมตตาก็ได้อจะหายความเมตตาไปค่ะหายความเมตตาไปค่ะคือเหมือนพร้อมช่วยเหลือแต่ว่าก็ให้เขาช่วย่อนให้เขาช่วยตัวเขาเองไปก่อนใช่ค่ะจังหว่าเขจะช่วยไม่ได้แล้วเราค่อยเข้าไปช่วยก็ได้ ได้ใช่ไหมคะบางทีก็แอบเอ้ยเราเราเราแบบมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองเกินไปไหมถ้าเราจะแบบเราไม่ไม่สนเรื่องของคนอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แรงน้ำใจถ้ามไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ก็ไม่ไม่ต้องไปเข้าไปยุ่งดีที่สุะแต่ถ้ามันเหน้าที่ของเราไป็นการรับผิดชอบของเราแเราก็ต้องเข้าไปค่ะบางทีเมือนยุ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้าเขาก็ไม่ได้อยากให้เรายุ่งเนาะเราไปยุ่งเองใช่ก็ตองดูสถานการณ์ด้วย เขาต้องการหรือเปล่าเขาต้องการความช่วยเหลือเราหรือเปล่าค่ะแล้วค่ะหลวงพ่อก็เดี๋ยวหนูก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะคะเอาบางนี้ก็เอาความทุกข์ของเพื่อนๆเอาคําถามของเพื่อนๆเนี่ยมามาพิจารณาแล้วก็ลองลองเอาไปไปปรับใช้ดูก็เป็นเหมือนเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะคะที่ว่าใจเบาขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคนปกติมากขึ้นอยู่ในอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายได้ได้ง่ายขึ้นนะคะ ขอบพระคุณนะพ่อเจ้ า, ค, ค, าค่ะตายรักเนี่ยเคยคำตอบของปัญหาค่ะค่ะจะพยายามรละลึกไว้ระลึกถึงไว้เสมอเจ้าค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้หนูหนูหนูหนทําได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ ะ, ะเวลา ถ, าถ้าถ้ามีทุกข์อะไรก็คือคําว่าพูดโธทนี่ยอย่างแรกเลยจะออกขึ้นมาก่อนเลยถึงต่อให้มีสติหรือไม่สติมัแต่พูดโธมันจะขึ้นมาก่อนเลยดึงออกมาก่อนอยู่อยู่ทาใจพูงแต่งไว้ก่อนค่ะพุทโธช่วยได้เยอะจริงๆเจ้าค่ะ แล้วก็เนี่ยก็พยายามเอาเจออันเนี้ยเจออันเนี้ยที่ถูกใจที่มองคนให้มันเป็นแบบดินน้ำลมไฟไม่ได้ตัวไม่มีตัวตนทุกคนเป็นแค่ดวงจิตดวงหนึ่งเดิ น, ดนแต่มาอาศัยอาศัยรูปร่างลักษณะมีเป็นตัวเป็นตนเกาะเอ่อเกาะอาจิตมาเกาะอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยมองแล้วก็ยิ้มค่ะมองแล้วก็ขําดีแบบเออเนาะมันก็แค่เนี้จริงจริงรู้สึกวเป็นหุ่นยนต์จจริงเเป็นหุนใจก็เป็นคนเชิดเชิดหุนนะค่ะ รู้สึกปลดล็อกได้มากเลยค่ะสองวันนี้แบบโอเคเราทุกวันต่อนนี้เราก็ใช้ใช้อันนี้เนาะมองคนไปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจมากไม่ปรุงแต่งค่ะก็ขอบคุณท่านหลวงพ่อค่ะเมื่อกี้กับนั่งปฏิบัติไปได้ช่วงรอซูงก็นั่งไปได้ประมาณห้าสิบห้านาทีเจ้าค่ะก็รู้สึกผ่อนคลายนั่งแบบนั่งเบาๆไปไม่ไม่ไม่ไม่หวังอะไรนั่งแบบค่ะ ดูพุโทโธไปบ้างแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายหนูก็มาดูลมหายใจค่ะหลวงพอ่อรู้สึกาเหมือนคุณดิตยาหรือเปล่าไม่แน่ใจคือพอพอเป็นลมหายใจมันรู้สึกอ่ามันหนูจะค่อยๆช้าๆค่ะ mm hmm. ไม่ได้ยึดกับพุโทโธมันก็ ก, ก, ก็รู้สึกอ่าดูลมได้มันสบายกว่าไม่ต้องทำใช่ค่ะมันดูเบามันรู้สึกเาบารู้สึกค่อนคลายค่ะ mm hmm. แต่ว่าบางครั้งก็ต้องใช้พูโทโธดึงกลับมาแต่ว่า หนูมันเมืนหนูใช้สลับกันได้ใช่ไหมคะหนุ่มกอล์ฟใถ้าจิตมันถ้าจิตมันพุงมากเราต้อใช้พุทโธช่วยค่ะแต่ถ้ามันไม่พุ่งดูลมเฉยๆก็ได้ค่ะเหมือนเริ่มเข้าแรกๆก็จะพุทโธไปแต่พอเริ่มเบารู้สึกว่าเหมือนกับว่าพุทโธมันดูเยอะไปหนูก็จะแบบลองนั่งเงียบๆดูแล้วก็ดูลงหายใจดูมันก็รู้สึกกลายเป็นว่าเออมันมันเงียบแล้วมันก็ค่อยๆสบายช้าๆไปเรื่อยๆเงนี้ค่ะก็เหมือนกับรถยนต์เนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนเกียร์ เกียร์ต่ำแล้วเอาจากแล้วตร์ทก็ใช้เกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งไปก่อนแอ้วิ่งไปสักพักเขาเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามไปค่ะได้ค่ะหลวงพ่อนล้วหนจะได้ได้คิดได้แล้วว่ามาถูกทางไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติผิดตางทีแบบเอาผสมไปเดี๋ยวพุทโทเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดูลมหายใจมันมันมันได้ไม่น่าอะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุผลต้องเปลี่ยนด้วยเหตุผลค่ะได้เจ้าค่ะหลวงพ่อ จะพยายามต่อไปนะเจ้าค่ะฝ้ไปเรื่อยๆต่อไปก็ชำนาญเก่งเองค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อสอธคุณสาธกาเจิญอยากใช่นาทมาฟังคำค่ะพระอาจารย์ปคำนี้ได้ยินทุกครั้งเล ย, ยต้องไปเรื่อยๆค่ะดีโอเค มไม่มีไม่มีวันไม่มีปัญหากับใครนะไม่ค่ะดีขึ้นเยอะค่ ะ, ะโอเคสาวเจ้ค่ะคุณลูกตานี่ยงคุณแม่งานมหกรรมค่ะพรอาจารย์เป็นยางไงวันนี้ไม่มีคำถามค่ะพรอาจารย์พาคุณแม่มาตอาจารย์ค่ะยังถอดอยัยงถอดเทพอยู่่อยังถอนยังถอ ว่าตอนตอนนี้จะแบบช้าช้ามากค่ะเพราะว่ามีงานเยอะค่ะอืมก็ทําำไ้เรื่อยๆไม่ไม่ไม่มีอะไรรีบร้อนค่ะว่าก็ทาไม่ว่างก็ ว, า ง, กวางให้ก่อนค่ะอาจารย์ว่ามันเยอะแยะอยู่แล้วเทศกานนี้เยอะแยะไปหมดนะค่ะไม่รู้เกเรมนะจะฟังเปิดฟังทำค่ะอาจารย์อืมโอเคถ้าไม่มีอะไรก็พันนะค่ะแล้วิชากเค คุณจุ๊กโกเบไปทำข้อสอบอะไรมาอบ้าเปล่าที่นี่นักสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูหนูก็ยังตอนอาทิตย์ที่แล้วที่หนูถามพระอาจารย์ไปว่าเราเราพิจารณาตามแบบที่เราถนัดเนี่ยหนูก็เอามาพิจารณาตลอดเลยเลยเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วมันก็มีความรู้แทรกขึ้นมาในการพิจารณาของหนูแต่หนูคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ความรู้ที่ที่ถูกต้องเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูหนูไม่กล้าจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังเพราะว่ามันจะดูเพอ้อเจอ้อไปว่าคะพระอาจารย์ก็ไม่รู้ถ้ามันดียินจะไม่รู้ได้ไงก็คือหนูหนูพิจารณาก็คือเวลาพิจารณาปัญญากลับไปกับมาก็คือเริ่มจากที่ว่าออ่ตัวเราเนี่ยมีไม่ใช่ตัวเราสิอ่มี อสุจิของพ่อไอ้ธาตุน้ําธาตุน้ําของแม่บวกกับอ่าธาตุดินของพ่อแล้วจากนั้นก็จะมีธาตุไฟเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเป็นธาตุธาตุลมแล้วก็มีธาตุลมตามมาทีหลังแล้วจากนั้นไม่ใช่เนาะคิดว่ามันเป็นธาตุเสียงของพ่อธาตุเสียงของแม่มารวมกันอีกทีอ๋อเหรอคะเอ่าตัวสจิมันมีทั้งธาตุดินน้ําลมไฟเลยนะ ถ้าขายก็เหมือนการขายมันก็มีดินน้ำรวมไฟมันไม่ได้เป็นดินอย่างเดียวไม่ได้เป็นน้ําอย่างเดียวอืจแสดงว่าหนูผิดผิดไม่เป็ไรไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นอ่ะรอยเลือดท่าสีของพ่อท่าสีของแม่มารวมกันก็มาจุดประกายให้เกิดท่านเกิดอาการสน32ร่างกายใหม่ขึ้นมาเอช่วงนั้นก็จิตก็จะก็จะมาเกาะทันทีค่ะชง วิญญาณส่งกระแสะของวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมกูกนิ้กายของร่างกายของร่างกายอันใหม่จิต okay. <G> แต่แตจะจะเกาะยังไงจะเกาะเมื่อไหร่นี่เราไม่รู้นะเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมอะมันจะต้องมีสามส่วนนี้มารวมกันท่าของพ่อท่าของแม่แล้วก็กระแสะของจิตเข้ามายึดก้อนนั่งร่า mm hmm. งกายอันใหม่ okay. งั้นหนูจะเอาไปพิจารณาใหม่คะ่ะตอนแรกหนูพิจารณาก็คือธาตุน้ําของแม่ดินของพ่อผสมรวมกันหนูคิดไปเองโดยที่ไม่มีไ ม, มไม่มีหลักฐานให้มายืนยันแล้วแล้วความรู้ที่หนูได้คือธาตุไฟนี่มันเข้ามามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมาดูธาตุไฟไมัน<พ>กเกิด<พ> จ, จากการผสมของธาตุดินกับน้นํำธาตุลมไง กคยศึกษาเคมีไหม<อ>ศึกษาเวลามีปฏิกิริยาทางเคมีแล้วอะไร อ, อะไรจะเกิดขึ้นก็คือความร้อนใช่ไหมแต่แ ต, แ ต, แต่ตอนนั้นที่ความความความคิดของหนูมันมันขึ้นขึ้นมา ก, ก็คือพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ผู้บอกว่าถ้าเรามีความอยากมันก็จะเกิดภพเกิดชาติแล้วหนูก็หนูก็แบบศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนะสูตรท่านพูดไว้ว่าภพชาติมันจะตัวที่ทําให้เกิดภพเกิดชาติก็คือตันหาน<อ> ค่ะหนูก็คิดว่าเอ๊ะไอ้ไฟนี่มันคือไฟตันหาสามหรือเปล่าที่ที่มาทำไม่ใช่ไม่ใช่พลเรื่อง ก, กันใช่ไหมพลเรื่อง ก, ก, กันจิตความอยากเป็นตัวที่ทําให้จิตส่งกระแสะวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายอืมจ้ะคัะงานก็แสดงว่าความรู้ที่ได้นี่มันผิดหนูเดียวแล้าก็จริงการรู้เรื่องเหลานี้ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเมื่อจิตมาเกาะแล้วจิตก็มาทุกกับร่างกาย ว่าเจตมีความอยากให้ร่างกายอยู่เป็นานานแต่ร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็เลยบรรทุกกับความแจก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราลองมาแก้ที่ตัวนี้ทําไงไม่ให้ใจไปทุกข์กับมันก็ต้องสอนใจให้ยอมรับว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากจะมีร่างกายก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตาย ถ้ไมอยากจะทุกข์ก็ต้องยอมยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายประเด็นอีกที่ต้องที้มากกว่าสําคัญกว่าอาจจะเป็นความรู้แบบอวามรู้เสริมให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเรากระจายของเรามารวมกันได้ยังไงบรรจัยกันได้ยังไงแต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ที่ทุกข์ของใจเนี่ยก็จะตันานทาความอยากอยาก อยากให้อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายพอมีร่างกายก็มาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกข์กับมันอีกนี่ต้องหยุดความอยากสองตัวนี้หยุดความอยากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเสียเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมามีร่างกายแต่ถ้าตอนนี้ยังมีร่างกายอยู่ก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เอาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ทําให้ใจเราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไป <Okay. S 1> นะแต่พิจารณาบางทีมั น, ม, น ม, มันไม่ตรงประเด็นนะปร ะ, ประเด็นที่เราต้องการคือปัญหาเราคือทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไร <Okay. S 1> เกิดจากตัณหาความอยากใน ทำมาจากท่านก็แสดงไว้แล้ว่าตันหามิภาวะตันหาการมัตันหาสามตัวนี้ uh huh. แล้ว อ, uh huh. อ, อยู่ตันหาได้ก็ต้องเห็นตายรักเห็นว่าร่างกายเป็นตายรักเกิดแก่เจ็บตาย uh huh. เปนไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงห น, น้าตาเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนไม่นจะเป็นตัวเราของเรา uh huh. พิจารณานี้อย่าไปพิจารณาเรื่องอยากทธาตดินทาตน้ําโดยที่เราไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรมายืนยันแล้วค่ะหนูก็บอกอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองบอกนี่หรือว่ามันเพอรเจ้าวะเพราะว่าเราไม่ยังไม่เคยได้ยินพระท่านไหนพูดพูดเลยมันต้องมีธาตุสี่ของพ่อธาตุสี่ของแม่มารวมกันในในอสุจิเนี่มันต้องมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่มันถึ อันยันี้เป็นเป็นขึ้นมาได้เจ้าค่ะไข่ในไข่ของแม่ก็เหมือนกันก็ต้องมีดินน้ําลมไฟสมบูกแต่งให้ทําให้เป็นไข่ขึ้นมาเจ้าค่ะตก็ตเกี๋ยวไประจิพิจารณาใหม่ให้เห็นไปกตรักให้เห็นว่าร่างกายมันเป็นผู้เป็นแค่เพียงธาตุอ่มันเป็นงานที่จางไม่เที่ยงเราต้องยอมรับมันให้ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปโกรธ เ ว, วลาร่างกายไปแล้วไม่ได้เป็นไปกับมันเราเป็นท่านรู้เราเป็นใจเพิ่งเพียงแต่มาเกาะกับท่านท่านท่านดินคืออาการสาิสองท่านดินน้ำลงไฟอาการสารนิสองนี้เท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วพอจะถึงจุดหนึ่งที่ที่มันเห็นแจ้งแล้วนี่ก็คือมันก็จะก็ตอนเวลาไป เข้าโรงพยาบาลนะหมอว่าจะตายเนี่ยหรือแจ้งไม่แจ้งก็รู้ตอนรู้ตอนนั้นอนะ่ะถ้าแจ้งก็เฉยไม่ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงตแต่ถ้าไม่ถ้าทุกข์ก็สแสดงว่าไม่แจ้งถ้าทุกข์ก็มุ่งพาหรวิชาระคอบงาใจเจ้าค่ะเข้าใจมากทีไรเจ้าค่ะพระ อ, อาจารย์ต้องมองากการอ่างกายนี่เหมือนเรามองร่าง ก, กายของคนอื่นนะ ร่างกายคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งของเราเดือดร้อไปเขาไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนใช่ไห แ, แต่มัไมร่างกายที่ของเรานี่ยมันพอเป็นมะเร็งเรามาเดือดร้อนเรยังเกี่ยว เ, เป็นตัวเราอยู่ใช่ไหม <S <S มันก็เหมือนร่างกายของคนห น, น่งนะพระอาจารย์ครับกายนี้ไม่ใช่เราแล้วจิตนี้เป็นเราเ ป, ป, ปะคะจิต ก, ก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นแค่ตัวรู้ตัวคิดเนี่ เราเป็นสมมติที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเป็นนิยายเป็นตัวนิยายเข้าใจไหมในจิตฮะในจิตก็ไม่มีตัวเราในร่างกายก็ไม่มีเราร่างกายก็มีการสารสองในจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขาวรวิญญาณแต่ตัวสัญญาสังขารเนี่ยเป็นตัวตัวปรุงแต่งสร้างตัวตัวเราขึ้นมา เราคิดว่าเป็นเรามันก็เชื่อตามจําจําไว้เออนี่เป็นเราขึ้นมาเราคิดเรารู้สึกอะไรขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่ใช่ไม่ไมมันไม่มีเราในความคิดมันไม่มีเราในความรู้สึกความจําได้หมายรู้เป็นเป็นเป็นความสามารถของจิตแค่นั้นเองคิดอะไรก็ได้คิดคิดเป็นเราก็ได้คิดไม่เป็นเราก็ได้ทำไมต้องไปคิดว่าเป็นเราล่ะ อนนี้เราก็ต้องย้อนสอนขอความคิดนะถ้าไม็นเที่ยวเป็นเราเราก็เราก็เราคิดว่ยวไม่มันไม่เป็นเรามันเป็นดินน้ามลมไฟจิตยอดเป็นแค่ความคิดก็สัญญาก็คือความจําได้แต่ว่าเป็นเราจําไปอยู่เรื่อยต่ว่าเราเป็นเรานแค่เป็นความจำํำมันแค่ความคิดเท่านั้นเองพอเราหยุดคิดพอเราเข้าสมาธิหยุดคิดได้เราก็หายไปหมดเลยแนละ้วแต่ตัวรู้เฉยๆอยู่อ ย, อยู่ตามลำพัง เจ้าค่ะตอนนี้หนูว่าหนูยังปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นแต่หนูเจ้าไปพิจนารณาเนืองๆเจ้าค่ะพิจารณาไม่ได้มันต้องเข้าสมาธิต้องแยกต้องทําจิตให้สงบเจ้าค่ะยจะเห็นยังเห็นว่าตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวเรานี่หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้นี่ไม่มีวันหายอันนี้คือของจริงเจ้าค่ะตัวรู้ไม่มีวันหาย Стати, izes, ถ้ามันหายแล้วก็จะไม่ก็จะไม่มีก็จะไม่รู้อะไรเลยสิที่เรารู้อยู่ในี่พ่อตัวรู้น Lost, ี่แหละถ้ม่รู้รู้รู้รู้รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ความจารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ก็อตัวรู้นี่แหละก็คือตัวจิตเนี่ยเจ้าค่ะเดี๋ยวออกจากสู่วันนี้เดี๋ยวหนูจะเซฟวันนี้ที่พระอาจารย์สอนโน เอาไว้พิจารณามาฟังย้ำเรื่อยๆเจ้าค่ะอย่าไ yeah, ม่เส้นทัศนาติดีกว่าทัศนธติเชือเจค่ะค่ะแล้วมันเด <c oughs> ี๋ยวมันมันจะเข้าใจเองถ้ามันมันต้องเห็นจากการปฏิบัติไม่ใช่เห็นจากการมันได้ยินได้ฟังได้ฟังนี่เพื่อให้เราเข้าใจคร่าวๆก็แล้วกันว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละตัวกันในร่างกาย ก, ก็ไม่มีตัวเราในจิตก็ไม่มีตัวเรา ในจิตก็มีแท้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามาขันะกับกับตัวรู้นะในร่างกายก็มีแค่อาการสามสิบสองท่าสี่ดินน้ําลงไปแะล้าสรุปก็คือไม่มีตัวเราอยู่ที่ไหนเลยตัวเราจากการคิดปรุงแต่งขึ้นมาความคิดนี้ก็เป็นเหมือนคนเขียนนิยายดีๆนี่เองที่ว่าคนที่เขียนนิยายเขาอะไรมาเขียนนะก็ใช้ความคิดเ้าใช่ไหม คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เขียนยยเป็นนิยายเป็นละครมาดอกคนเอาเงินมาใช้ได้อย่างสบายเป็นแค่ความคิดเท่านั้นแหละเจความจริงมันไม่มีหรอกความจริงมันแค่มีแค่เวทนาสัญญาสังขงงารมีนิยามความรู้สึกนึกคิด จ, จําได้หมายรู้หนูจะไปนั่งสมาธิให้มากๆเจ้าค่ะจะใ้ อ uh huh. จะได้เห็นของจริงท่านนั่งสมาธิแล้ว เ, เราจะย้อนย้อนจิตกลับเข้ามาดูข้างในตอนนี้จิตเราถูกกิเลสดันให้ไปหานข้างนอกไปดูรูปเสียงกลิ่นรลก็เลยไม่เข้าใจว่าจิตของเราเป็นอะไร uh huh. เราฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อดึงจิตให้กลับเข้ามาข้างในพอจิตสงบรวมเป็นสมาธิเราก็จะเข้าก็อยู่ข้างในะที่จะเห็นนะเวลา คิดก็แล้เราห็นอ๋อนี่เป็นความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแบบคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองจะน้องนําเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะอฝึกเสติ์เยอะๆนั่งสมาธิให้ได้นะตอนนี้ยังไม่ต้องคิดทางปัญญาอีกยิ่งขึ้ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่แจ้วค่ะอยังไม่ถึงเวลาปัญญายังต้องมีสมาธิก่อนเป็นที่สนับสนุนที่จะคิดได้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงอ่ะ เจ้าค่ะกลับกบุตรการเจ้าค่ะออืให้มีแพะให้มีท่าทันแข่งแรงนะเจ้าค่ะอก็เรื่องต้องไปบอกท่าทัดแข่งใช่ไหมเราไม่ใช่เราเราบอกเราทำไมเจ้าค่ะเราไปสั่งมันไม่ได้เลยอืมสั่งไว้ได้จริงๆนะเจ้าค่ะงั้นอย่าขออย่าขอให้ท่าขันแข่งแรงเลยขอเราไม่ได้ต้องไปขอขอขอกับท่าทัดขเราเป็นท่านรู้เรารู้เฉยๆ แลค่ะนะค่ะถ้าขันระวังเข้ามันไม่ได้มันไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้อันตายไม่ได้แลค่ะอืมโอเคสาธุขอบคุณจ้าค่ะอ่าคุณมาเลยเช่นคุณมาเลยดูหรือยังกาวหนึ่งพ่อค่ะดูขันห้าหรือย่างมันเป็นอะไรนก็เป็น<ว>แค่ขันเป็นทุกข์หรือเป็นอนิจจทุกขักาหน้าตาใช่ไหมตาเรพ่ออ่าไม่มีตัวตนใช่ไหม ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีเขาไม่มีเราอ่าต่ะอะไรก็เป็นแค่สมมุติขึ้นมาเองความคิดสมมุติขึ้นมาเองใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะแล้วจริงก็ธาตุสี่ร่างกายแค่ธาตุสี่เป็นที่รวมของท่าตสี่แล้วก็ไหลเข้าไหลออกอแล้วก็รอวันที่จะจบอะจะแตกสลายไปเหมือนฟองน้าค่ะอ่ม นันะนะนะน่ะน่ะคือปัญญาอนัตตาอันนี้<ช>จังก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไม่เที่ยงหรอกค่ะกิน ต, ตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงรักมันดีศรีมันค่าจริงๆถ้ามองแล้วมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยนะคะหลวงพ่อนไม่มีมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นผลตก<ช>แดดออกตอนนี้อากาศหนาวเนี่ยมันใครไปทําให้มันหนาวหรือเปล่า มันก็เป็นเป็นธรรมชาติเป็นของดินห น, น, น้าลมไฟนี่แหการเปลี่ยนไปของดินหน้าลมไฟเนี่ยทําให้อากาศมันก็แปรปรวนไปอันนี้อลมพัดเอความหนาวเข้ามาความหนาวคือไฟน้อยมาหามาที่ที่มันมีไฟมากไฟที่น้อยกว่ามันก็จะทำให้ไฟไฟนี้ความน้อนมากหายไปหรือแต่คําความน้อยน้อยกลับเข้ามา ความเย็ยนแค่เป็นความน้อยความความร้อนน้อนก็เป็นความเย็ยนความร้อนก็เป็นความความร้อนมากมันก็เลยร้อนก็เรื่องของธาตุไฟขึ้นให้ลองลงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปใค่ะแล้วท่านหลวงก็เป็นตัวพัดออกมาจากลงมาที่นี่นะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธาตุสีมันแปมันหมุนไปเวีย น, น, นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งข้านงนอกทั้งข้างหน ในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน้าขึ้นลงลงดูให้เป็นเห็นว่นเป็นระบบของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนแค่แค่เรารู้แล้วเราก็วางกันหลวงพ่ อ, อเราทำอะไรไม่ได้ใช่คะ่ะทําได้ก็เชื่อเพียงแต่ออาหารพ้อนธาตให้มั น, นท่านเองป้อนธาตุสีให้มันมันจะได้อยู่ต่อไปได้ มันจิตเ้าก็ไม่มีตัวตนจิตแค่มีแค่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับตัวรู้ให้รู้เฉยๆให้รู้ทันสั้งขานให้รู้ทันความคิดปรุงแต่งมันคิดไปตามความเป็นจริงแล้วคิดไปในทางความหลกถ้าคิดว่ามีตัวตนก็หล ง, งถ้าคิดวาไม่มีตัวตนก็ไม่หลง เข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะมีอะไรอยากพูดอีกไหมก็หนูก็ยังปฏิบัติอยู่แล้วยิ่งยิ่งปฏิบัติยิ่งยิ่งมองยิ่งพิจารณาแล้วก็มันจะมีสติที่รู้ทันนะคะหลวงพ่อพอพ อ, พอรู้ทันรู้ทันจิตรู้ทันความคิดมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดับลงแล้วเราก็วางแล้วมันก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในใจอย่างเนี้นนะคะ่ะหลวงพ่อลดยแต่ความว่างใช่ค่ะก็อืม หนูก็เลยเห็นว่าเออมันมันเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเออใจใจมันแทนที่มันจะเก็บเอาสิ่งที่มาเป็นทุกข์ในใจอ่ะมันจะปล่อยมันจะพยายามปล่อยปล่อยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันก็เลยเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมันไม่มีอะไรถ้าเราไปยึดมันก็จะกลายเป็นทุกข์แล้วเรายิ่งไปคิดอะไรอย่างเงี้ยมก็เป็นทุกข์พอเราเรารู้ทันตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อจิตมันสบายจิตจิตมันไม่ทุกข์ค่ะหลวงพ่อ ว่วาไม่อยากท า, าเลยค่ะหลวงพ่อแ ล, แ, ลแล้วตอนที่ฝึกตอนที่ปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันมันจะเกิดความสงบในจิตแล้วก็สมาธิก็จะมาแบบคือมันเาเรียกว่ามันมันหนักแน่นมันมันกว้างฐานของความสงบตัวเนี้ยมันจะมันจะกว้างแล้วก็พอพอออก พอตรงเนี้ยเราพิจารณาเสร็จเนี่ยเหมือนเหมือนใจเราจะคลายไปทุกสิ่งทุกอย่างนะค่ะหลวงพอเราเราไม่ได้ไปไปเต้นตามหรืออะไรเงี้ยเราพออากระแสหรืออะไรเข้ามาเนี่ยเราจะดูคือเหมือนสติมันทันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะแบบมันเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเราจะพยายามที่จะรู้ทันสิ่งนั้นนะคะหลวงพ่อแล้วใจเราก็จะไม่ไม่ไปทุกตรงนั้นนะคะหลวงพ่อนั่นแหละข้อหมายของการปฏิบัติก็คือกาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนใจให้มันหมดไปอย่าให้มันกลับขึ้นมาอีกนะค่ะแล้วแล้วหนูก็สังเกตใอ้ให้กิเลสหรือว่าตัณหาอย่างโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนเอื้องทำไมมันจางมันค่อยค่อยถอยถอยถอยออกไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันพอเราไม่มีตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบมันเบาเบาไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อความโกรธมันเกิดจากความอยากมันไม่มีความอยากความโกรธก็หายไป ค่ะหลวงพอ่อย่างยังมีทุกวันที่หลวงพ่อบอกว่าเราต้องเจอคนโน้นคนนี้โน้นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าถ้ามีสติกํากับตรงเนี้ค่ะหลวงพ่อมันจะตัดมันจะตัดได้มันจะวางได้ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วหลักหนูหนูก็คือหนูจะเอาหนูจะตัดจิตที่จะไปคิดอะไรพวกนี้แล้วก็จะเอาจิตเนี้ยมาอยู่มาอยู่กับ ร่างกายของหนูอยู่กับการพิจารณาของหนูแล้วก็หนูก็จะรักษาไอ้ความสงบตรงนี้เอาไว้อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อยิ่งยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นยิ่งยิ่งยิ่งเห็นที่งมันมีผลดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อเดค่ะโอเคนะถามต่อไปนะค่ะค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะคุณนิสาเจิ เป็ไงไฟดับไหมยังไม่วัยการในวัฒนการค่ะาอาจานเพราะว่ายังลมจะแรงขึ้นเองไม่ใช่หรือครับใช่ค่ะเ<า>่าว่าวันเมื่อเมื่อตอนเช้านี่เขาบอกให้น่าจะเป็นวันเหนียะค่ะเขาให้กัแบบวอร์นิ่ขึ้นมาเหมือนกันว่าให้ดูว่าลมจะมาไห ม, อ, มอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยจังยังมีแบบต้องวอร์นิ่ทุกวันนะค่ะว่ากระพับลมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบ้านนี้ไม่เป็นเหมือนเล ใช่ค่ะเป็นหมื่นกว่าเลยค่ะอาจารย์ก็ก็มีแจ้งเตือนนะคะอาทิตย์ที่แล้วว่าแบบให้ทุกคนเตรียมแบบแพ็กของที่จาเป็นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เตรียม <c oughs> เตรียมทุ่งงได้แล้วเตรียมตัวอพอกทุ่งดงได้ค่ะพระอาจารย์พอพอแบบแพกของที่จำเป็นก็คิดก็มาคิดว่าจริงแล้วคนเรามันก็ไม่ได้มีไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายนะคะพระเจ้าเดียวก็พ <c oughs> พอแล้วค่ะพระอาจารย์พอพอดูข่าวบางคนก็แผลกะแบบเยอะแยะยัดใส่รถแต่พอถึงเวลาตอนตอน evaluate คอนอพยพจริงๆก็ไปไม่ได้เพราะว่ารถติดมากค่ะก็หิ้วเป๋าไปอย่างเดียวก็หิ้วกระเป๋าลากลงมาอือเออก็ก็ทําให้ได้ทิดได้ค่ะพระอาจารย์เห็นนนัค่ะเห็นนไตรักเลยค่ะพระอาจารย์เป็นข้อสอบค่ะพระอาจารย์ ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยนั่งสมาธิก็มีฟุ้งซ่านนิดหน่อยค่อะอาจารย์ก็ต้องแบบใช้แบบไตรักษ์กแบับเป็นปัญญานําสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้แบบไม่ฟุ้งซ่านนะคะสะตตสูไงว่าต้องใช้ปัญญาช่วยค่ะแต่เราใช้ใช้ในช่วงระหว่างที่เรานั่งได้ไม่ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์บางทีนั่งไปนกทุ หรือเงี้ยใช้ปัญญาได้เกิดถ้ามันได้อยู่เฉยๆไม่มีทุกข์มันไม่รู้จาวาปัญญามันมันดับอะไรอ๋อขาผาสิทุกข์มันต้องเครียดแล้วต้องพุ่งสร้างอะไรเงี้ยมันปัญญาปัญญามาระงับได้แต่ถ้ามันเฉยๆไม่มีความว่างคันรู้สึกเครียดรู้สึกพุ่งรู้สึกอะไรมันก็ไม่รู้จาวาปัญญามันมันดับมันได้ไงอถ้ามันเป็นปกติจริงเป็นปกติก็ต้องใช้สติใช้พุทโธหรือใช้นมหายใจแทน อืมเ พ, เพราะเพราะบางทีถ้าลูกนั่งไปสักแบบสักพักบบนึงอะคะ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนลมมันหายไปหมายถึงว่าแบบเหมือนเราจะฟุ้งซ่านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะใช้พุโทโธมาควบคุมดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าที่จะเรามาคิดถึงแบบเอาปัญญาเข้ามาในกลางสมาธิไม่ไม่ดีใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่ามันเราจะใช้ปัญญาในรูปแบบไหนกันแตอืม เรารู้สึกว่าบางทีเราเราเร า, เรานั่งไปสักพักหนึ่งคือเป็นคือมันจะเกิดช่วงช่วงเย็นนะคะพระอาจารย์ ช, ช่วงเย็นเรารู้สึกว่าแต่ตอนเช้าแบบช่วงตื่นมามันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าลูกก็ใช้แบบเปิด ใ, ใช้ใช้อีจีพีโซแล้วก็ตอบกันด้วยดูโลมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอตอนเย็นนี้ยาจะแบบเหมือนเราเจอเรื่องนู้นนี้มาแล้วเราฟุ้งซ่านอย่างนี้ค่ะแเราต้อแล้วเรต้องไปไปเกะาะไล่ตามเรื่องนั้นใช่ไหมเป็นเรื่องอะไรเรื่องแฟนเราเรื่องงานเรื่องเรื่องอะไร เราขยันเอาตายรักไปใช้กับไอ้เรื่องเหล่านั้นได้อ๋อได้ใช่ค่ะลูกก็พยายามทำแบบนี้อยู่ค่ะมันก็รู้สึกเบาขึ้นนะคะเมือมันต้องมีปัญหาแล้วเราก็ปัญญาไปแก้ปัญหาได้ค่ะได้แต่ถ้าอยู่ดีๆมันไม่มีปัญหาแล้วเหมือนก็ปัญญากเขาจะไปแก้อะไรใช่ไหมมันจะทําให้ยิ่งฟุ้งไปยิ่งขึ้นใช่ไหมคะถ้ามันไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดี่ะใช่ไหม ถ้าเราไม่มีความคิด ท, ท, ที่ต้องมาแก้ที่ต้องมาหยุดมันนี่เราก็ไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วเราก็ใช้สติดูลมไปพูดโธไปก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะยังยังน้อมนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะ นีดูข่าวเยอะค่ะอาจดูข่าวก็ต้องหอบฟุ้งหอบก็ต้องหอทุกอย่างไปแล้วนี่จังเลยแต่ก็ดีนะคะพระอาจารย์ดูแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นข้อสอบแล้วเราก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออใช้ใจรักขึ้นมาแล้วเราก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันชีวิตคนลมก็ไม่มีอะไรเนาะ อ, อะไรเงี้ยไปยึดติดกับสิ่งพวกนี้นี่มันรู้สึกไร้สาลระค่ะดินน่าลงไปนะเป็นท่าสีค่ะบ้านใหญ่ขนาดไหนก็ สุดท้ายมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟอะค่ะพระอาจารย์ใช่เป็นธาตุค่ะพระอาจารย์ก็น้อมนําปฏิบัติอะค่ะอาจารย์ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจที่พึ่งที่แท้จริงของใจก็คือธรรมะท่านค่ะพระอาจารย์สติสติสติกัสมาที่ปัญญาสามตัวนี้ค่ะอาจารย์ค่ะนะค่ะก็ ขอให้พระพระอาจารย์ท้าดขันเอ๊ะจะจะบอกว่าให้พระอาจารย์หรือจะขอให้ให้ท้าดขันพระอาจารย์แข็งแรงก็ไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะยังไม่น่าขอจะไปขอเลยเสียเวลาขอให้จิตของพระอาจารย์สงบดีก็พอแล้วเอาจิตดีกว่าจิตแล้วรักษากันได้คอยพระอาจารย์รักษาจิตให้สงบนะอย่าทุกข์กับอะไรนะพระอาจารย์ไม่ทุกข์แล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ ขอสิไม่ต้องขออะไรนะแต่ว่าอยากให้พระอาจารย์อยู่นานๆนั่นก็เป็นกิเลสอย่างนั้นนั่นก็เป็นกิเลสโอค่ะอาจารย์ค่ะใช่ไหมค่ะอยากให้อยู่นานๆนี้ก็เป็นกิเลสแล้วเนี่ยภาวะตัณหาค่ะพระอาจารย์ขอขอสักนิดค่ะขอกิเลสนี้สักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะสาธุค่ะ แม่ต้องพีได้พูดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่พูดอใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ไปที่อาจารย์สายทิพ ต, อ, ตอนนี้แม่พีโผล่มาลอช่องนี้ฟังเฉยๆใช่ไหมคอแม่พีแม่ต้องพีโอเคอาจารย์สายทิพเชิญกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างปฏิบัติโยคค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติแบบไงต<อ>ั้งใจ แบ้โผล่วันบางวันเต็มร้อยบางวันเหลือสี่สิบห้าสิบมีวันหนึ่งตั้งใจฝึกสติทั้งวันเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ดูลมหายใจแล้วก็พุทโธค่ะแล้วก็กลังคืนฝันอะไรมันดนบรรดาให้ฝึกสติทั้งวันหนูไปดูรายการเขาสัมภาษณ์อดาราคนหนึ่งที่เขาเขาหมดสติเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปประมาณสามชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ เกี่ยวกับธรรมะแล้วอหมอก็เลยถามถามไอ้ดาราท่านนี้ยค่ะว่าได้ฝึกสติฝึกทําสมาธิหรือเปล่า <c oughs> เขาเลยกว่าเขาทําประจําแล้วก็โหเป็นดาราแต่ทําได้ด้วย <c oughs> เขาบอกว่าเวลาไม่มีอะไรเขาก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ <ừ. S 2> มีงานก็ทําพอหมดจากงานไม่ได้คุยกับใคร <ừ. S 2> เขาก็นั่งสมาธิ <c oughs> เราก็เลยว่าโอ้ขนาดดาราเขายังทําได้งั้นทำทำบ้างค่ะพระอาจารย์ แล้วก็หนูก็เลยฝึกวันนั้นติตจิตสงบดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็เอ่อเหมือนมีกําลังแล้วพอกลางคืนฝันค่ะพระอาจารย์ฝันว่ามีพระกําลังสวดมนต์ท่านก็กวากมือเรียกเราให้ไปนั่งนั่งอยู่กับพระที่ทั้งหมดนะค่ะบอกว่าพระอาจารย์สุชาติบอกให้มันเรียกท่า hmm. <laughs> นก็หนูก็แล้วท่านก็พอหนูเข้าไปเขก็เอาไม้กั้นค่ะพระอาจารย์ว่าให้ให้เฉพาะพระเท่านั้น ที่อยู่ในเขตนี้ค่ะ mm hmm. วันไหนถ้าปฏิบัตินี้ฝันเถีงพระอาจารย์นะคะแล้ก็ส่วนอื่นๆกนใช้หลักว่าถ้ามีเรื่องอะไรหนูใช้อานาตตาคิดว่าเต่งเป็นแค่ตัวธาตุรู้ค่ะพระอาจารย์ mm hmm. mm hmm. อะไรมากระทบก็ฉันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว mm hmm. mm hmm. ทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อน เท่าไหร่แล้วค่ะพระอาจารย์ในเมื่อเราเป็นแค่ธาตุรู้ไม่มีอะไรใครจะอะไรยังไงก็เราไม่มีอยู่แล้วค่ะเราก็ได้เลยค่ะใช่ถูกต้องเราเป็นแค่ตัวรู้เราไม่ใช่เป็นตัวตนนั้นไม่ต้องทำแต่ัม่ต้องไปมีปฏิกิริยาไปตอบโต้กับใครค่ะเราจะพูดอะไรเขาจะทํำอะไรล้วก็รู้ไปค่ะ รู้แล้วก็ยอมเอาเล ย, ย, ยไม่เป็นไรค่ะเราไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมองไปใครก็แต่ละคนก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรใครจะยึดใครจะเอาอะไรตอนนี้ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอพอยุดแค่นี้ก็ก็สบายแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะพยายามฝึกสติทั้งวันตอบค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าได้ได้ประโยชน์ค่ะ จำเป็นมากอย่างอื่นจะตามมาที่หลังถ้าไม่มีสติแนละ้วมันไม่มีอะไรจะตามมาได้ค่ะกลับมาถอยเอาเปรีย บ, บเทียบสติเหมือนรอยเท้าช้างสำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในในปน่านี้รอยเท้าของช้างนี่ใหญ่ที่สุดค่ะแสดงว่าสตินี่สำคัญที่สุดส ำ, สำคัญกับปัญญาสำคัญกับสมาธิ พราะถ้าไม่มีสติแล้วสิ่งวัญญาสมาธิวิมุตตินตามไม่มาไม่ได้ขาดผู้นาต้องมีผู้นาคือสติผู้นาไปค่ะ <c oughs> หนูจะพยายามเร่งความเพียรเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเร่งได้แล้ว่อบางทีบามตั้งกี่ปีให้เข้ามาทาสติ <c oughs> โอยกว่ากว่าจะได้ข้าสรนีนานมากนลนะีลาคะ่ะพระอาจารย์ข <c oughs> องวนลมันยั่ยุเยอะทุกี่เลยมันเหน่ร่าไเยอะ อรียไปหลายลาทางไปฟังอาจารย์ฟังซูมาน่าเก๋กี่ปีนั่นเนี่ยน่เริ่มต้นเลยเนี่ยนานมากแล้วค่ะพระอาจารย์สติรอดแรกตอนนี้ก็ได้ถ้าเลนถ้เรียนนานตอนนี้จนได้ปอตีปะนะปอตีปอทูตองเลยเนี่ตอนนี้อนุบาลสามกับพยายามค่ะพระอาจารย์เริ่มว่าเราเล่นมานานแล้วค่ะรวมตัวว่า เอาจริงอาจาย์แล้วค่ะพระอาจารย์เล่นเล่น่อแล้วค่พะพอแล้วเอาทำเอางานระรรบ้างนะสเตินี้ตัวสำคัญน ะ, ะดีได้เวลาแล้ว ค, ค่ะพระอาจารย์โอเคสาทุสาทุค่ะคุณซันนี่แบงคอกเชญแก่นในมาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามค่สะสเติ์เป็นยังไงบ้างดีไหม สติยังไม่ดีค่ะพระอาจารย์ไม่ฝึก เ, เลยนะแต่ว่าจะจะฝึกจะฝึกให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะพระอาจารย์โอเคดีสาธุขอบคุณปุ้ยได้สติไหมมีสติไหมหรือมีต่สตังค์อสติหรือคสตังดีสวัสดีค่ะน้อมนมักการณ์ครัอาจารย์<ห>ได้ยินด้วยปะ่ะอ๋อที่มันอะไรเออค่ะ อบบมรดกการเจ้าค่ะโยมมีสติค่ะสัปดาห์นี้โยมสงบขึ้นเพราะว่าโยมตั้งแต่ฟังพระอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วโยมยังไม่ค่อยจะดีและนี่นี่โยมก็ลุยโยมก็บอกว่าเฮ้ยปีใหม่แล้วโยมเตืียสติบุกสติตัวเองข้อเองลุกขึ้นมาเพียนโยม ใช้เวลาแบบมันพอดีมันหนาวด้วยแล้วอากาศมันออกไปไหนไม่ได้ยมก็เลยเพียรปฏิบัติมาติดต่ อ, ต, ต, อติดต่อแล้วพอดีพระอาจารย์ก็มีวันพระตรงกับบันจันทร์แล้วก็ยาวเลยยมก็เลยได้โอกาสที่ดีเลยยมก็นั่งสมาธิต่อยาวๆ ว, ว, ว, วทุกวันเลยยมรู้สึกมันนิ่งนะพระอาจารย์แล้วแบบไม่ได้ฝันนะ่ะพระอาจารย์ตอนที่ยมนั่งสมาธิอะ่ะเออยมเห็นนะ่ะพระหลวงปู่มั่นน่ะ ตัโบโลเอเธลแล้วโยมก็ไปนั่งอยู่ข้างในหลวงปู่มั่นแล้วอยู่ๆขั้นก็หายไปแล้วก็กลายมาเป็นแบบมันเหมือนกับเป็นใสๆพาสเซนใสแล้วก็โยมก็เคลื่อนออกมาเป็นสีขาวแต่งชุดเพราะโยมตอนนั่งสมาธิอาโยมใส่ชุดสีขาวอยู่โยมเห็นตัวโยมอ่ะมัน ม, มันมีใครก็ไม่รู้โยมออกมาจากตัวโยมอะบบไม่หลับอันนี้ไม่ใช่เพรสเจอรจริงๆโ ย, ยมแบบมันเป็นเพียง เหมือนกับไม่ถึงหน้ า, นาที่หรืออะไรเงี้ยโยมเห็นก็โ<ม>ยมก็เห็นแบบว่าอันนี้มันเหมือนกับเหมือนกับเทพที่โยมเอ่อเหมือนกับพระพรหมอ่ะที่โยมสวดชินบัญชรกับท่านอยู่ทุกทุก<ม>วันน่ะและโยมก็เห็นโยมนั่งนี่ยนั่งสมาธิตัวนิดเดียวโยมเดินออกมาจะพุ่งเ่ะตัวนิดเดียวเองนั้นโยมก็เลยบอกกับคือนึกในใจอ่ะว่าโกรดน้ําตอนนั้นน่ะนึกในใจยังยังรู้ยังรู้สตินะพระอาจารย์ <S <s <í> <S ต้องกลับมา <ใน S 2> ที่พุโทโธ <password. S 2> แล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึน้นมาจะตามร่วมค่ะโยมก็เลยบอกเอในใจของโยมว่าภาวนาหลังจากโยมภาวนาโยมก็เลยบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้ฉันจะเพียรขึ้นมากขึ้นและจะเดินสังธรรมแล้วทุกครั้งเวลาโยมเดินออกไปจากบ้านโยมก็ออพระพุทธเจ้าว่า เมื่ อ, อะไรถ้าโยมเดินออกไปจากบ้านโยมเห็นไอ้ผู้ชายภายเรือเนี้ยขอให้โยมลนะพิจารณากายสังขารให้เหมือนกับกระดูกแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้เกิดการมาราคะไม่ให้โยมทําผิดศีลอะไรทั้งสิ้นทั้งนั้นเ โ, โยมหกข้อเดียวเพราะว่าโยมจะขอแต่งหน้าไว้ก่อนขอเข้ามาครับพรอาจารย์ไอ้โค้งร่างกายเราไม่ร่างกายเราไม่มีครงกระดูก ยมรู้อ่ะยมมันไม่มีโครงกระดูกกับอาจารย์แต่ว่ายมในอยู่ข้อนี้ข้อเดียวแบบคือทานข้าเย็นยมก็ไม่มีปัญหาละเนื้อสัตว์ยมก็ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วหมเป็นหลายสิบปีแล้วและคือแบบโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเ็ดข้อแข้อยมได้หมดแต่ท้าเวลายมจะเดินออกไปจากบ้านมันเหมือนกับนิสัยมันมาหล่พหลาาอาจารย์ัไม่เป็นครงกระดูก แต่งหนเป็นนางงามชมมองผ yes, да ู้ชายอย่างเงี้ยยมมองได้แต่เวลายมมองตัวเองเงี้ยเฮ้ยมือนออกไปนอกบ้านอ๋อแล้วอื้มมันต้องสวยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยมเลิกไม่ได้เสียประจันแบบยมติดอยู่ข้อนี้ยแบบให้นั่งให้นั่งสมาธินานๆยมก็นั่งได้ให้ไม่ออกไปนอกบ้านสามสี่วันให้ยมนั่งสมาธิ นั่งแล้วนั่งอีกนั่งนั่งแล้วยอมทําได้นะพะว่าเราเจริญคองกระโดดบ่อยๆนะไนี่ยต่อไปจะได้เห็นว่าร่างกายเราก็มีควากระโดดเหมือนกั น, กนยมอ่ะพิจารณาจน ย, ยมรู้นะว่าถ้าตายไปเนี่ยยมเตรียมตัวตายแล้วแต่ยมตายเนี่ยนะยังไงยังไงยมเอาไายเนี้ยไปไม่ได้ยมยังบอกกับลูกว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งฉันไม่อยู่นะยมก็เผาเผเผฉันไปเถอะยังไงฉันก็ไายเนี้ยฉันก็ทิ้งแล้วเป็นดวงจิตแต่ว่า เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราก็คิดได้ตั้งหลายอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่คนโง่แต่ว่าทําไมเวลาออกไปนกบ้านนี่เลยันิดสวยอยู่ยังไม่พอเป็น <laughs> สายตาในเชื่อเป็นงานงานมั น, ม, น, ม, นมันกึงกึงมันเหมือนกับว่ามันไม่คิดว่าตัวเราสวยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเอขอกเข้ามาต้องบอกตรงๆว่า โยมยังอยู่ในโลกของไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเ อ, อกิเลสซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งในในสังคมนี้ที่เขาบอกว่าไก่งามพกนคนงามพกแต่งเ อ, อเวลาคุณออกไปนอกบ้านเขาจะสึกษาคุณก็ดูหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยที mm hmm. น, นี้เวลาผมไปทําเอกสารโยมก็เลยบอกบอกพระพุทธเจ้า ว, ว่าขอเข้ามาค่ะพระพุทธเจ้าโยมโยมไม่ได้บอกพระอาจารย์แต่โยมบอกพระพุทธเจ้าโยมบอกว่า วันนี้เขาแต่งหน้าหน่อยนะเดินออกไปนอกบ้านเพราะว่าเดี๋ยวไปทําเอกสารคนเราไม่แต่งหน้าทุกวันเราเชื่อว่าจะทําไม่ได้ต้องรวบรวมกําลังใจก่อนอาจารย์พระอาจารย์ยมเหมือนยมรู้นะว่ามันมันผิดแต่ว่ามันเหมือนกับนิสัยที่มันติดมันไหลไหลพบไหลพลาดของยอ้ให้ได้ต้องพยายามแก้ให้ได้ยมรู้ไม่ใชปล่อยให้มันติดไปเรื่อย จิงค่ะจริงค่ะยอมยอมรับเลวมันก็จะพาอากามักเกิดอยู่เรื่อยใช่ค่ะยมก็คิดว่ายมไม่อยากกลับมาแล้วแล้วยมก็ไม่อยากทาบาปแล้วแล้วทุกวันยมก็ตัวเองว่าขอนาะขอพระบารมีโอ้รองเ้าขาวไปเลยรองเท้าขาวไปเลยไม่ต้องแต่งหน้าทาปากใช่ค่ะยมไม่อยากทาบาปแล้วพระอาจารย์ยมไม่อยากแม้แต่บว่า แต่คิดที่จะทําบาปหรืออะไรแล้วเพราะมันมันบางทีนะคนมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยอามามาขอยืมอะไรอย่างเงี้ยมาขอยืมปัจจัยอะไรเงี้ยถามว่าเรามีไหมเรามีแต่ว่าเราไม่อยากจะทําผิดสิ่งอาจารย์แต่ว่าคือคืออย่างเวลาเราเดินออกไปคุยอย่างเงี้ยจิตมันฟุ้งแน่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเวลาโยมไปคุยแล้วยมรู้สึกเลยว่าจิตมันฟุ้งแนะ ใจโยมมันไม่ไมัน ไ, ไม่เหมือนเมือ่อก่อนที่เราชอบสนุกสนานเหมือนกับพี่คนนั้นที่เขาบอกว่าเขาชอบเขามีโยมเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเขาว่าว่าเราชอบสนุกสนานแต่ตอนเนี้ยมันไม่มันไม่ไปตรงจุดนั้นแล้วอ่ะมันมันรู้สึกว่ า, า, าเราชอบธรรมชาติเราชอบเงียบและเวลาเราเข้ามานั่งสมาธิบางวันเนี้ยเราเราเราได้สมาธิดีแต่บางชั่วโมงในหนึ่งวันเนี้ยโยมนั่งหลายชั่วโมงแต่บบางครั้งเนี้ย ยมได้สมาธิดีแต่บางทีใจข้างในยมรู้สึกว่ามันเหมือนกิเลสมารมันมันมันมันกัดแกล้งยมมยมก็ทำไงยมจะแก้ไถ่เองเพราะมันไม่มีใครช่วยยมได้ยมก็กระโดดลงไปเอาแบบกระโดดกระโดดอะให้มันตื่นะ่ะไม่ให้มันหลับอะอาจารย์อืมไอ้ยมก็ตอนนี้คือยมเพียรยมยอมรับว่าสองมาสัปดาห์ที่สองแล้วอะ โยมใช้ความเพียรมากเพราะว่าโยมบอกแล้วว่าถ้าเราเอาแต่ใจใจจะทําอะไรแล้วเราเดินมาครึ่งชีวิตแล้วเวลามันเหลือน้อยอาจารย์โยมไม่มีเวลาแล้วโยมต้องเพียรให้มากกว่านี้ <Okay. S 2> เพราะโยมเพื่อนๆ เ, เ, เขาเพียรกันมากโยมรู้สึก <Okay. S 2> ละอายทําไม่ได้นะทําไม่ได้ ไ, ไ, ดได้คะะ่ะท่านอาจารย์โ <Okay. S 2> ยม <Okay. S 2> ก็พยายามแบอบกว่า ขอมาแบบเดินอกไมเดี๋ยวต้องปรับปรุงมีแค่นี้ข้อเดียวก่อาจารย์ขอให้สวยไม่สั่งบาไม่รู้เลยนะขอลาบดีกว่าค่ะอาจารย์จะสร้างบุญให้าให้ด้วยถูกหวยบ่อยๆสะดูค่ะขอให้พระอาจารย์ธาดขันแข็งแรงเจ้าค่ะคุณแอนจากวุดรธานี น้องกาล น, น้ำมัสะการกับพระอาจารย์ูปไม่มีคาถามสัค่ะอาเดย์อาเาเป็นยังไงยินดีอันนี้เยย็ยังหนาวอยู่อ่ะใช่ยัหนาวอยู่ค่ะท่านอาจารย์<ม>ติดลบวันนี้ติดลบสิสี่ค่ะท่านอาจารย์ยยนนค่ะก็คือลงตั้งแต่เมื่อคราบีแล้วแล้วตอนนี้พื้นถน น, นคือ มะมันยันงมันก็เลยการนุ่งแข่งก็ค่ะถ้าอาจารย์ยิ่งลำบากใหญ่ที่นี้ค่ะค่ะถนนหน้าบ้านแต่ถนนใหญ่โอเคค่ะถนนใหญ่ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถนน<ม>ถนนหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ้อมะวันยัไม่มีรถไทยไม่มีรถมามาเกตออกไป ม, มันมันมีรถมาเกตนะคะเขามันมีรถมาเกตแต่ด้วยความที่ว่าเขามาหลังจากที่หิมะมันตกแล้วแล้วตอนนี้มัน มันพอลบมันเหยียบเข้าเหยียบเข้าเหยียบเข้ามันก็กลายเป็นดานนะคะก็เลยแบบก็ไม่สามารถเราออกได้เราออกได้ะคะ่ะถ้าอาจารย์แล้วตอนนี้พอพอมันติดลบพออาการมันติดลบมันก็กลายเป็นเดินน่องแข็งแข็งนื่งแล้วก็ออกไม่ได้คุณหนูก็ทางอยากก็เลยแบบไม่ได้ออกไปทิ้งอะคะ่ะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเดินออกไปแล้วเดี๋ยวมัลมนล้มอะคะ่ะท่านอาจารย์นื่ง ก็ไม่ม ok ีอะไรค่ะท่านอาจารย์เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะก่อนไปก็บอกว่านี้ท่าอาจารย์มาอันนี้เขาก็เป็นกระดิ่งดังเป็นเป็นคนคอยเตือนค่ะเพราะบางทีพ่อหนูไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบางครั้งเราก็ลืมวันจันทร์วันอังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีคนคอยเตือนดีเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็เหมือนเดิมตอนทองเต้นเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ยังไงก็ ขอบคุณท่านอาจารย์หยองสูนค่ะ อ, ะอะคุณพระวิสาสวิตศรานไม่ไเจอกันท่านานอยู่ที่ไหนตอนนี้ ก, กาตมศักดิ์ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่สวิตค่ะพระอาจารย์อยู่ที่บ้านเนาะค่าอยู่ที่บ้านค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามารับฟังค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ่าจะ พยายามฝึกวินัยให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์รู้ว่าตัเองขาดวินัยค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้ไม่ได้ปฏิบัติด้เลยเพราะอาจารย์คือได้แต่อรักษาสินห้าคือบันเทิงใจอะไรเงี้ยแต่ว่ายังอยู่ในสินห้าอยู่ในขอบข่ายสินห้าแต่พอแต่ก็เหมือนเหมือนรู้อยู่ว่าพอเมื่อเราห่างสินแปดมารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือก็เลยบกเข้ามา ครับอาจารย์ให้หคือรู้ว่าเจงก็จะจะทําวินยัยจะสร้างวินัยใหม่หมค <shocked? S 1> รับพระอาจารย์คือไม่เป็นกระ ต, าต่ายแล้ว แ, บบแต่สร้างแรงใหม่ก็ออยังดีค่ะพระอาจารย์คือก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนพราตัวเองว่าเออชอบทําตัวเป็นกระตา่ายเพราะฉะนั้นตอนเหมือนเคยอาจารย์เคยเทศไว้ตอนทําก็เท่าทําทําำแล้วทีนี้ผลที่มันเคยทํามามันก็ส่งผลเราก็เลยแบบชราใจค่ะ คร่ะประมาชลาใจว่าเอ๊ะแต่ทีนี้พอเราห่างไปเอ๊ะทาไมเราแบบเชื่อมแน้วสิค่ะพระาอาจารย์ใช่ค่ะก็เลยพอนึกได้เหมือนครั้งนี้พระอาจารย์เทศว่าอ๋อมันเป็นผลที่ที่เราเคยทํามามันก็เลยพอเราแบบเหมือนไม่ได้นั่งมันก็ยังมีสติแล้วก็สงบอะไรเงี้ยพระอาจารย์แต่พอเอ๊แต่พอเราห่างไปนานพพรรรระะะออาาาาจจยยยย์หไมมัััเื่่ใชคคคกก็ลต้งษ สิ่งที่เราสร้างไว้้ะอย่าให้มันเสือมหายไปค่ะพระอาจารย์จะฝึกวินัยใหม่ค่ะอยากไม่ทำตัวเป็นกระต่ายแล้ว อ, อยากจะเป็นอยากเป็นเนต่าแล้วค่ะพระอาจารย์เต่าเต่าทำทุกวันค่ะค่ะพระอาจารย์จะทำใหม่คะ่ะพระอาจารย์ค่ะไม่ได้ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะช่วงนี้ปีนี้ยังยังไม่ทราบค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวรอเคลีย เกี่ยวกับอะไรต่างๆให้เรียบร้อยพอทุกอย่างเรียบร้อยลงก็น่าจะทราบว่าจะจะได้ไปประมาณเดือนไหนคะ่ะปกติโยมก็จะไปทุกๆมกรกาคุณพามีนาประมาณเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็ที่แล้วน้องก็น้องต้องซือกลับไปด้วยลใช่ไหมค่ะอ่าน้องอคุณคุณเคนเนดก็เามาแล้วน้องน้องนุ้ยครั้งที่แล้วน้องก็เอามาค่ะน้องก็เอามาแล้วก็เอาไปที่วัดแล้วก็แต่ว่าของน้องของน้องนุ้ยนี้ ยังอยู่ที่บ้านน้องน้อยอยู่แล้วน้องนุย้นนยก็เอาไปให้อให้เพื่อนเอาไปที่เยอรมันค่ะวัดไทยที่เยอรมันค่ะ mm hmm. ส่วนของโยมโยมก็รอน้องขอเงินน้ อ, องมาวาดัดน้องก็จะเอาเอามาด้วยแล้วยมก็จะไปเอากับน้องแล้วก็ามาที่อที่นี่มันจะมีสถานปฏิบัติธรรมอค่ะพระอาจารย์เป็นเป็นพุทธเหมือนกันค่ะแต่เป็นพุทธแบบนิกายอื่นแต่ว่าเขาก็เปิดรับอยู่ใกล้ๆบ้านของโยมค่ะโยมก็เลยว่าจะเอาไป ที่นั่นด้วยแต่ไม่ใช่ของของไทยนะคะเป็นลักษณะเหมือนพูดแต่เป็นอีกนิกายหนึ่งอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ก็เขาเขาก็ทําประปัดสมาธิอะไรพวกเนี้ค่ะเขาคือมาเปิดค่ะโยมก็คิดว่าไม่เป็นไรหนังสือทำมาแค่ไม่เสียหายค่ะโยมก็คิดใครอย่างได้ น, นก็หยิบไปอ่านไ ม, ไม่ไม่อ่านก็ไม่เป็นทางอะไรใช่ค่ะโยมก็นึกอย่างงั้ น, นะะราคาพอดีโยมก็ไปแล้วถ้าเกิดกลับเาืองไทยโยมก็จะอนามาอีก จขนมาเรื่อยๆนะค่ะพระจางโอืคค่ะดิค่ะก็นี้ก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้เข้มข้นดีค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเคได้ได้ก็ได้อะไรเยอะๆเลยค่ะติดตามมาก็มาบ่อยๆหน่อยนะค่ะว่าอาจารย์ค่ะรวมจะฝึกิสายอ่าฝึกวินัยใหม่แล้วค่ะว่าอาจารย์โอเคค่ะที่บ้านด้วยค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะคุณแอดขอบคุณป้าเจน กลับถึงบ้านแล้วเลยกลับถึงบ้านแล้วค่ะกลับนะครักลับนมัสการพระอาจารย์มัสการอาจารย์ครับวันวันนี้เข้มข้นจริงๆค่ะพระอาจารย์ได้อะไรเยอะมากค่ะเยอะนะเนี่ยค่ะพระอาจารย์ของของหนูก็พยายามแบบเก็บแต้มทานศีลภาวนาทุกวันค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ขาดค่ะอย่างโบราณนะค่ะแต่กําลังศีลแปดแบบไม่ยังไม่ไหวค่ะพระอาจารย์หนูก็จะตกคอ ที่แบบต้องทาแป้งอย่างเงี้ยค่ะยังยังพอออกจากบ้านยังหน้าสดยังไม่ค่อยไม่ค่อยผาดค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็นอนนอนที่แข่งอะค่ะเราเคยนอนแล้วแบบถือศีลแปดคืนนึงแล้วหนูเจ็บสะโพกไปแบบสามวันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยติดติดอยู่สองข้อเ น, นี้ยค่ะที่เป็นหลัก แต่สี่ห้านี่คื อ, อคือทําทําครบค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งเอาสักวันก็ยังดีสี่แปดจะพยายามกลับมาก่อนหน้านี้พยายามตั้งใจไว้อาทิลละครแล้วมันกลายเป็นแบบเหลือเจ็ดเหลือหกเป็นห้า plus อะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ ย, ร ย, ยังดียังดีก็ไม่ทําเลยค่ะพระอาจารย์ก็ เ, เคยคิดเหมือนกันครับ ว, ว่าถ้าช่วงที่แต่ก่อนก็เคยเคยถือสี่แปดกับทางคุณแมทเขาบ้านก็พบว่าวันนั้นๆมันจะดีกว่า วันที่เราถือสินห้าทั่วไปเพราะว่าไม่งั้นสื่อบันเทิงอะไรมันจะมาล่อใจเราเยอะครับใช่ต้องพยายามหน่อยนะต้องมีความอดทนมีความตั้งใจใมันถึงจะทําได้ต้ก็พยายามจะเติมเติมตรงนี้ครับอาจารย์ถ้า<ต>ไม่เช่นั้นมันก็มันว่าจะไม่ก้าวหน้ามันก็ยังติดอยูย่อยู่กับที่เดิมอยู่นี่ จะพยายามต่อไปค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอคุกท่านอาจารย์นะคะคุณอ๋อพีควันนี้น้องสาวน้สักการท่านอาจารย์จ้าค่ะอาจารย์เห็งชัดไหมจ้ะค่ะชัดจ้ะะวันนี้โชคปีที่ไม่โดดรียนจ้าค่ะอาจารย์ได้ความรู้เยอะแยเจ้ะค่ะของหนูก็ ได้ของอย่างคุณแอนก็ก็ได้ได้คือกับคณาจารย์คุณมารีด้วยก็ค่ะก็แล้วก็การพิจารณาของคุณจุ๊บโกเบด้วยก็ค่ะอาจารย์แต่ละอีกหลายท่านก็ค่ะอาจารย์ก็ดีเามาได้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะกะค่ะ เหมือนว่ารับยากระตุ้นด้วยเจ้าค่ะพายจัย์มอเจ้แผ่วไปเพราะว่าปกติว่าหยุดวันพุธอะโดยต้องเข้าท่ำใช่ไหมเจ้าค่ปะปดีมดปลุกห้องเจ้าค่ะพายจย์ก็เลยดึงห้องไว้หลายวันเลยเจ้าค่ะต้องไปติดรูไม่ให้เขาออกมาเลไร อ, มมอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็พายจันเจ้าคะเพื่นี่หนูมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะอย่างคาคําว่าร้าอยอะไรเจ้าค่ะพายจาย์และความโลภคํามโกรธความหลงละคือให้ละละ ท, ที่เนี้ย ไม่โลภไม่กอดไม่หลงเพราะละก็คือไม่ไม่ทำคำว่าไม่คำว่าละก็คือว่าไม่ละความโรกว่าคือไม่โราอปรวมกันก็ว่าเราใชค่ะกับป่วางเหมือนเหมนกานเจค่ะอาจารย์ปล่อยวางกับละอย่างนี้นะคะมันมันมีความหมายไม่เหมือนกันต่อะก็ มันก็อยู่ในทางเดียวกัน ถ, ถ้ามันไม่รวมมันก็มันก็ปล่อยวางเหมือนอย่างในถ้ารมาา ก, ก็ไม่ปล่อยถ้าถ้าไม่รวมป่อยเหมือนอย่างในถ้ารวมก็ไม่ปล่อยคถ้อถ้าไม่โลมก็ปล่อยออืค่ะแล้วอย่างในในธรรมจักรปปาวัตตะนสุจึงก็ค่ะอาจารย์บอกว่า เหมือนอย่างสมุทรไทยคนละเราได้ละแล้วอะไรเงี้ยจาค่ะอาจยล่ายอย่างคืออย่างอย่างละคนละที่ก็เหมือนกันใช่ไหมจ้าค่ะเกกินเหล้าอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากใคอยากกินเหล้าก็ไม่เป็นไม่ไม่อยากกินเหล้าอยากกินขนมก็อ่ี้ไม่อยากกินขนมก็ละละได้อย่างนะควาอยากกินขนมได้อย่างยังจ้าค่ะไาจาแต่เร า, าหนูไม่ทานไรตั้งแต่เด็กแล้วจาค่ะอาจารยลกไ่านเหล้า มันกีพูดผิดไปว่าจะมาทถึงขนมใจไหมคะอาจารย์พูดถึงเรื่องอย่างถ้าไม่ได้ทานมานี่ก็เหมือนเราได้ฟินข้อนี้มาเลยใช่ไหมเจ้าคะถ้าไม่ทานเล่าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะไม่ดื่มอะไรเลยมันก็มันก็จะทําให้เรามีสติไงถ้าถ้าดื่มชราเรานก็จติดแล้วก็จะไม่มีสติมันก็จะทําให้เราไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้ค่ะ ในโชคดีว่าไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรไม่ยุ่งกับพวกแกอลกอฮอลแล้วนี้ครอูอาย์แต่แตไม่ยุ่งยั ง, จยงจตงจล้สิยังมีน้อยคุณครูอาจารย์จะยุ่ง <laughs> ยังยังต้องไปยุ่งกับขนมอยู่นะของหวานอยู่นะจะ า, าเดี๋ยวต้องต้องกลับไวท์ชิฟต์เลยจะค่ะก็ไมนนี่หนก็กลับมาที่โรงพวัดก็คือทานหนึ่งมื้อจ้ะค่ะอาจารย์หูว่าสงสัย ก็สงสัยแต่เองอยู่ว่าที่หนูกินเยอะเนี่ยมันเกิดจากความโลภในการอยากกินเยอะหรือว่ามันหิวเพราะว่าทานไม่เดียวอย่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โดยยามเป็นความโลภมากกว่าร่างกายมันมันจะมันจะกินมากกินน้อยมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่แสดงอาการเหมือนกับความอยากในใจเราเจ้ค่ะเหมือนเหมือนมันเห็นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นพัดแล้วมันรู้สึกบางทีมันก็มีความละอายใจอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ เหมกัว่าเอ้ยเราเร า, เราโลคในการกินไหมอย่างนี้ก็ค่ะเพราอย่างปกติอนูอ่ะจะทานแบบอาหารเนี่ยที่เรามีแค่กับข้าวอย่างเดียวสองอย่างแล้วก็กินได้แล้วนี้ก็ค่ะอาจารย์เหมือเดี๋ยวนี้มันติดว่ามันเอ๊ะมันต้องมีไม่มีอันนี้เเขามีอันนี้อนี้อะไรนะคะโอเมันเหมือนมันเหมือนกินหลายอย่างนี้ก็ค่ะอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นความโลคเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะค่ะใช่ก็ต้องไปปรับในผีจ้ะค่ะแล้วก็ขนมหวานต้องปรับจ้ะค่ะอาจารย์ส่วนหนึง มดมาเนี่อาจจะได้กลิ่นน้ำตาลจากร่างกายหนูเพราะว่ารู้สึกว่าพอเขามาใกล้ตัวหนูเนี่ยเขาจะกระดิกระดักกมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์เหมือนเขาจะบอกว่าออกมาแล้วเขาก็พอมาเจอหนูเข้าเนี่ยเหมือนเขาจะวิ่งกันแบบอะไรเนี่ยเจ้าค่ะสงสัยก็จะได้กลิ่นน้ำตาลจากร่างกายหนูตอบไม่แน่ใจไหมเ้าค่ะแต่นี่ก็ปิดลูกอะไรเจ้าคับอาจารย์เพราะว่ารื้อห้องอยู่ประมาณสองสามวันนี้เจ้ค่ะเพราะว่ามดเขาออกมาเยอะค่ะ แล้วในบ้านช่วงนี้ก็มีมดเข้ามาเจ้าค่ะพยาจาลม า, าทีก็พอถูอ่ะก็ไปโดนเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโอเคไม่อะไรไหมไม่อะไรอย่าถามไหมอ่าคืนนี้ได้ดูสิค่ะอคขอพยาจา์รักษาผัสพันเลยเจค่ะครับเขาก็คือมีงสียงเจ้าค่ะฟังว่าอะไรสิราชาครับนมัดกการเจ้าข่าระอาจา์ วันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องสติแล้วค่ะซึ่งออ่จริ ง, รงๆแล้วหนูก็ตั้งใจที่ที่จะได้สนทนากับพระจารย์นังสติเช่นกันค่ะก็คือหนูหนูคิดว่าการการที่เรามีสติอะค่ะมันคือการรู้ทันอย่างเช่นเรากําลังโกรธหรือเรากําลังกําลังจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของความโมโหอะไรเงี้ยพอมันพอเรามีสติแล้วเราก็ ยับยังมันได้ไงเจ้าคะ่ะก็รู้สึกว่าปีนี้คะ่ะท อ, อที่ผ่านมาทำได้ดีทำได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ก็รู้ดีคะ่ะว่าสติเป็นตัวที่สำคัญซึ่งมันจะมากอดแล้วสมาธิก็จะตามมาเ <c oughs> จ้าค<จ>่ะ ถ, ถ้าไม่มีสติมันสมาธิะไม่มีนะคะสมิแ้จิตจะไม่สงบถ้าไม่มีสติ รู้ถึงว่า<ม>ว่าคือเมื่อก่อนที่หนูเรียนแล้วเคยถามคําถามพระอาจารย์พระอาจารย์จะพูดถึงเรื่องสติก่อนทุกครั้งก่อนสมาธิหนูก็เพิ่งจะเข้าใจเมือ่อเมื่อหลายๆเดือนมาเนี่ยค่ะหนูก็เลยจะใช้สติให้มากขึ้นนะคะเนี่ยนะค่ะ ข, ขอบพระคุณทักษะต้องหลายปีกว่าจะเข้าใจนะโอเควันนี้เลยจ้ะค่ะแล้วก็แล้วก็ได้ปฏิบัติเองจ้ะค่ะก็เลยก็เลยรู้ว่าสติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอืม การปฏิบัติใน่าสยคำติกับสมาธิเพราะเราจะใช้สับสนกันทางโลกก็จะใช้คําว่า ส, สมาธิแทนสติเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิการทํางานเลยจริงๆหมายถึงไม่มีสติกับการทํางานเลยแต่เขามักจะใช้คําว่าสมาธิพวัสมาธิจริงๆนี่ก็คือฌานฌานคนเข้าฌานเข้าปนาสมาธิได้ที่ไหนใช่ไหมถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆเข้ายากอยจะตายไหมแล้วค่ะ มาใช้คําว่าสมาธิแทนสติมันก็เลยสับสนกันเวลาพูดพม่าออกทีคนเลยไม่เข้าใจใกันเขอาใจว่าสมาธิเขามีอยู่แล้วเขามีสมาธิทําไมทำไมไม่ใช่เลอไม่ใช่หรอกนั่ไม่ใช่สมาธินะี่คือสติสมาที่ต้องจิตรวมจิตนงีงสงบจิตไม่ปรุงแต่งในลูกสาวหนูไปซื้อเสื้อสติมาในีลูกสาวชอบใส่มากเลยเจ้าค่ะ แล้วเวลาเราทําผ้าอะไรกันเราจะบอกว่าไม่มีสติอไร่ช่วยกันเตือนเจ้าค่ะอ่าโอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าทุกคุณมาริกาเวลาที่ว่าเป็น ย, ยังไงจะมาคุณลูกสาเปล่ากราบน้ำมันตการเจา้าค่ะว่าอาจารย์ไม่ได้ขึ้นไปค่ะว่าอาจารย์คราวนี้เพราะว่าอืมน้องสาวก็จะเองขึ้นรับประเด็น ปริญญาของลูกชายที่เชียงใหม่เจ้าค่ะพี่แม่โจโก็ก็ต้องอยู่กับคุณพ่อก่อนค่ะในส่วนหนึ่งก็ต้องปัจจัยอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะอาจารย์ก็ต้องเฉลีย่ยเกลี่ยกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่าก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าโดยเอาแบบอย่างของน้องดิษยาก็ว่าในเมื่อไม่ได้ขึ้นเขาไปปีวิเวกแต่ว่าในบ้าน ก็าพยายามมีเตีทถังแต่ก็มันดูว่ามันยากมากเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตั้งใจว่าเราจะทำนะแต่ว่าพอได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ฟังเทศเสร็จแล้วก็บางทีก็เปลี่ยไปกับอ้าวเวลามันก็ผ่านไปแล้วค่ะพระอาจารย์อันนี้คือเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ลงมีที่ทำให้เราล่าช้าค่ะพระอาจารย์ ก็เลยต้องพยายามที่จะควบคุมสติให้ได้มากกว่านี้ใช่ป่พระาอาจารย์ทำวิญญาณทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทําได้มากได้น้องก็ทําไปนะเดี๋ยวก็ไม่ทําเลยโอเคนะวันนี้เวลามันใกล้จะหมดแล้วคนยังรายต้องหลายคนต้องของกำต้องจำกัดเวลาหน่อยเอาคนละสองนาทีก็แล้วกันนะคุณคนณเดกเชิญคนไเดกเชียงราย นรมการพระอาจาย์ครับวันนี้ก็เข้รับฟังแล้วกลับพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับอาจารย์ไปเดินก็ไปต่อเลยนะครับผมสาธุครับอคุณและพีช่ชายน้อมกรับนัมการพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ่อตอนนี้ที่พักปัจจุบันอยู่นนทบุรีครับอ่าโอเคมีอะไรไหม ไม่มีคําถามครับเข้ามาข่าพระอาจารย์ครับก็มาร่วมฟังทลามครับโอเคเงินไปที่คุณตายต่อคุณตายมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์มากราบเรียนพระอาจารย์ว่ายังนัศาศาากษาสัจจะกับพระอาจารย์อยู่ค่ะคือนั่งสมาธิทุกวันค่ะบพระอาจารย์โอเคดีสาธุอาจารย์สาธุค่ะคุณหมอใหม่คุณหมอใหม่เชิา ค่ะนายรัชการค่ะจางค่ะก็วันนี้ไม่มีคาถามค่ะมาร่วมฟังธรรมก็ปฏิบัติทุกวันค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามทำสมาธิเอ่อรู้กายรู้ลมค่ะก็รู้สึกเหมือนมันแยกแยกกายแยกจิตได้ระหว่างวันแยกได้อ่อนๆนอะคะแต่ถ้าถ้าใ น, ในเซสชันนั่งสมาธิ ก, ก็ก็รู้สึกว่าจิตอยู่ส่วนจิตแล้วก็กายก็อยู่ส่วนกายได้เรื่อยๆค่ะ ยิ่งสบงบเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดขึ้นในร่างกายกันจริงนะและยกออกจากกันเหมือนระหว่างวันมันจะมีปิติกับสุขครอคลอไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ความทุกข์มันน้อยลงแล้วก็เหมือนมันจิตมันไม่ได้ไม่ได้ไปตัดสินหรือว่าไม่ได้ไปเพ่งโทษสิ่งอื่นนอกกาย ม, มันไม่รีภาวิจารได้รู้เฉย กดีจะช่อกนรู้ตามความเป็เิของเขาพอรัอบนักมาการพาราคุณป็เนเซออริกเซเลอริออกรักมกรค่ะว่าจะดูใ น, นคาถามค่ะมาโอเคแล้วก็ปฏิบัติอย่างสมน้เสมอเจ้าค่ะอานีไที่น้องเอเอินนี่อ ย, อยืนไหนยืนในอดนะ กดไม่ยังไม่ยังไม่ติดค่ะธรรมศาสการอยู่ในรถค่ะพอาจารย์เพราะว่ายังไม่ถึงที่หมายแต่ว่าจอดรถก่อนดีกว่าค่ะขับเองไหมค่ะออวันนี้มีอะไรไหมดิดนหน่อยค่ะก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าคือถ้าถ้าปกติอะคะ่ะเราไม่ได้เออยู่ในรูปแบบเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ในชีวิตประจําวันนะคะเอิงพยายามสร้างปัจจุบันก็คือเวลาเดินนะคะ มันมีสิ่งหนึ่งที่ให้เอิงไปรู้ว่าเอิงกำลังเดินอยู่เวลากินข้าวเอิงก็กำลังกินข้าวอยู่<ต>ถึ ง, ถงค่ ะ, <า>ะทุกข์เรียบเลยใช่ไหมคะของการเคลื่อนไหวเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ขณะที่รอผ่าจารย์ พี่ๆทุกคนกําลังคุยกับพระอาจารย์อยู่ค่ะแบบมันเหมือนมีตัวหนึ่งที่แบบดึงเอิงออกมาเอิงเห็นตัวเอิงกําลังแบบนั่งอยู่ในกล้องเนี้ยค่ะแล้วก็ใจอ่ะมันแยกออกมาแบบสักพักนึงแล้วก็เห็นว่าแค่แบบว่าขันนี้กําลังนั่งรอพระอาจารย์อยู่แค่นั้นนะค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกออันนี้เป็นเรื่องเล็กๆค่ะแบบไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังก็คือว่า เออเ อ, อิรู้สึกว่าเอิงเข้าใจแล้วว่าแบบทําไมการรักษาข้อวัดมันถึงดีค่ะเพราะว่าเอิงมีโอกาสได้ไปปฏิบัติแบบถือศีลแปดค่อนข้างบ่อยค่ะแต่ข้อวัดที่สําคัญมันก็คือว่าเวลาทานดื่มน้ําอะค่ะแบบจะต้องนั่งถูกครั้งห้ามยืนเออไม่ไม่ยืนดื่มอะไรอย่างนี้ค่ะมันทําให้ชีวประจําของเอิงอะเวลาดื่มน้ำอ่าเออต้องนั่งถูกขรังอันนี้ค่ะว่ามันก็เป็นนิสัยที่แบบว่า ข้อวัดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกว่าเวลาดื่มน้ำมันก็กลับมามีสติโดยออตโต้เพราะว่ารู้ว่ามันต้องนั่งดื่มอะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่เพระงั้นธรรมดาเราจะดื่มในทุกขั้นตอนเดิก็ดื่มได้ยืนก็ดื่มได้เออก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องการเจริญกายกตานสติมีสติอยู่ร่างกาย<พ>าดีา อ, าายอืม เราก็อย่าไปคิดึงอดีตอนาะคตให้มากจนเกินไปให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณค่ะโอเคสาธุคุณหมอสุทธาสเนจรราศการพระอาจารย์เจ้าขาลูกไม่มีคำถามเจ้าค่าโอเคอย่าไปที่คุณพานิชหรือพานุษคุณพานุษใช่ไหม ตามนามสการเจ้าค่ะอาจารย์ชื่อพานุษค่ะอาจารย์เป็นเป็นหมอรุ่นน้องหมอใหม่ค่ะพี่ใหม่พาพ่วมาฟังพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่เดียวกันเนะอยู่เรียนจบเอ่อเป็นหมอมะเร็งที่เดียวกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้หนูอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์ก็ของของหนูเองก็มีสติรู้ระหว่างวันค่ะก็จะรับรับรู้เรื่องอารมณ์เป็นส่วนมาก แต่ว่าคราวนี้เนี่ยหนูมีปัญหาว่าอาตอนตรวจคนไข้ไม่ไม่โกรธไม่โมโหแต่ว่ามันจะไม่ค่อยรู้ทันตอนที่สอนนักศึกษาแล้วเรารู้สึกว่านักศึกษาเนี่ยโมโหตอนนักศึกษาเอาเอาเป็นว่าโมโหตอนที่นักศึกษาเนี่ยดูแลคนไข้ไม่ดีพอหรือว่าลูกศิษย์หมอดูแลคนไข้ไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันเนี้คือปัญหาของหนูที่หนูพยายามที่จะรู้ทันมันอยู่เจ้าค่ะ เราอย่าไปอยากเลยความอยากของเราทำให้เราโกรธเวลาที่นันไม่เป็นไปตามความอยากของเราใช่เจ้าค่ะตอนยึดต้องต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับคนอื่นได้ไปอยากให้เขาทำอย่างน้อย่างนี้พอเขาไม่ทาเราก็จะเสียใจแล้วโกรธแล้วนอนอย่าไปอยากป่อยเขาไปเราไม่หน้าที่บอกเขาแล้วก็จบเขาจะทำได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขา ถ้าเราไม่ไม่เราไม่ไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่โกรธเรจะไม่เสียใจแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาทาไม่ถูกเราก็พูดได้บอกได้ะแต่อย่าพูดด้วยด้วยความโกรธตอนที่โกรธก็อย่าเพิ่งไปพูดพูดตอนที่เราอารมณ์ดีแล้วก็บอกว่าเมือ่มอกี้ทําอย่างนั้นไม่ถูกนะก็วรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะอาจารย์ไปคุณหมอค่ะอาจารย์ความ ปันหาเราก็คือความอยากของเรานะั <c> ้น <oughs> ความอยากความคาดหวังก็ค่ะใช่ใช่พ อ, อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เลยทำมันออกโกรธขึ้นมาแต่ <c oughs> เห็นชัดค่ะเวลาแบบมีความโกรธขึ้นมาจะจะเห็นชัดทุกครั้ง <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> ล้วก็จะรู้สึกตัว <c oughs> ดีอย่างน้อยเห็นชัดแล้วก็ยับยั้งไม่ได้ก็ดีแต่ว่าไม่เห็นความอยากก็ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นความอยาก ต, <ช>ต่อไปต่อไปนี้ก็จะเห็นแล้วว่เราอยากเอาอยากเราอยากก็อะไรโกรธขึ้นมาค่ะค่ะหนูไม่เพิ่มละค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะต่อไปก็อย่าไปอยากทําน้นที่ของเราไปส่วนเขาก็เรื่องของเขาเขาทาตามที่เราสอนได้ก็ดีไปทำทาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ใช่จ้าจะน้องนําไปปฏิบัติจก่กพระเจ้าค่ะถธก คุณปูเป้เชิปูเป้กลันมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมอ๋อหนูไม่มีคะ่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์หนุ่มแค่มีสิ่งที่สงสัยคะ่ะพระอาจารย์คือช่วงแรกๆที่หนูปฏิบัติทำกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะหนูก็จะเห็นสองตัวในใจอะคะ่ะพระอาจารย์ถึงแม้จะอยู่เพียงลําพังคนเดียวเหมือนสันโดษแต่ว่า พอมาอยู่กับใจมันจะเห็นอยู่สองกรณีค่ะพระอาจารย์คือกิเลสกับอทําเหมือนบุญนะคะพระอาจารย์ก็เพียงแต่ว่าเราจะเลือกเอาว่าจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยปัจจุบันหนูเหมือนมีครูสอนนะคะด้านพระอาจารย์ในการเลือกที่จะกระทำนะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยพอกิเลสมาก็จะเลือกทํามากกว่างี้ยคะ่ะพระอาจารย์ ที่หนูเจอถูกต้อ ง, อง ก, ก, ก็เลยพระาาก็เลยฉันโดดนี่หนูว่าหนูไม่โดดนะคะพระอาจารย์พอดูภายในใจมันเหมือนดูนักมวยอะคะ่ะกำลังทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยเพียงแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าเลือกทำก็จะได้แต่สิ่งที่ทำสอนแต่ดีๆและมีประโยชน์นะคะพระอาจารย์เลือกเกเ ร, ก, ก, เร ก, ก็จะได้ความชุกขกัน เจ้าขาพระอาจารย์ค่ะหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆชนใหญ่จะมีด้านธรรมมาสอนอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์<ด>ก็เลยตื่นแต่เช้าเลยค่ะพระอาจารย์เนจาค่ะโอเคทำต่อไปนะเจ้าค่ะคุณอาภิธิษสกลนครคุณอภิเทนัสกสกลนคร กลาวนวัตสการพาร่ออาจารย์ครับไม่มีคําถามครับปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพ่ออาจารย์ดีขึ้นอยู่ครับโอเคทราบถึงคุณจิม๊มรี่ลนอันนี้คุณสลินทอนไม่ได้เข้ามาเลยมไม่ถรคุณ<า>นวัตสการค่ะพระอาจารย์สงสัยถ้าสลินทอนไม่มาโยมกับพ่ออาจารย์แทนสลินทรอนแทนเพื่อนด้วยนะคะ<ช>เขาอาจจะงานยุ่งค่ะช่วงนี้น่าจะยุ่งยุ่งพอสมควรเพราะว่า เขาทำเป็นบายเยอร์ค่ะมันมีแบบราคารับเปลี่ยนแล้วของตอนนี้ไข่แพงกระชูดมากเลยว่าจานยมแบบน้าตาจะไหลมันไข้หวัดนกมั้งคะมันก็เลยแบบแพงมากจริงๆก็เห็นอันนี้จานยมก็แบบไม่ไไปกินถ้ามันแพงก็อย่าไปกินเลยก็ถ้าก็ก็มันคือแหล่งโปรตีนยมไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่อะค่ะโปรตีนอะไรเนี่ยแต่แต่มีในตัวเนี่ยใช่แม่จานยาเยาอิ่ม <laughs> ไม่ไม่กินอีกสิบวันก็มนไม่เดือดร้อนร่างกายไอ้ที่เ ด, ดกกน เ, นเดือดร้อนคือใจความอยากกินเดือดร้อนวันนี้พระอาจารย์ในมือมีไม้เรียวใช่ไหมคะฟาดพยดความจริงให้ฟังเ่ยเพื่อควาเ <laughs> ตือนสติเตือนสติบ้าง <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์พูดถูกทุกอย่างเลยค่ะมันคือมันคือความจริง <laughs> ไม่กินอีกสมันยมก็ยังรอดอยู่ <laughs> ใช่ค่ะเรามีกล <c oughs> ุ่มวิสาสตสมไว้นั่งเยอะแยะทั้งไขมันทั้งโปรตีนทั้งน้ําตาลมีเยอะแยะเป็หมดแล้วโ <c oughs> อ๊ยพาชาพูดถึงน้ําตาลยมตั้งตั้งเป้าตั้งมีแล้วเขาเรียกอะไรคะสัจจะมิมนนายอธิษฐานเอ๊ะเขาเรียกอะไรสัจจอธิษฐานใช่ไหมคะอ่าว่าจะไม่กินของเครือ่อ ง, องดื่มหวานพวกน้ําหวานทุกชนิดตั้งแต่ปีใหม่มาตอนนี้ยมทํามาได้สิบห้าวันแล้วนะจ <c oughs> ังหย นึ่งแต่น้ําเปล่าจริงๆค่ะอาจารยมื่อวานเห็นกิเลสมันกิเลสมันพุดขึ้นมาเลยมันมีไอติมอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมฮะหยิบมาแบบน้ำตาน้ําตาลยี่สิห้าเปอร์ซ็นตโอเควอรใช่ค่ะมันก็เหมือนกับโอเคเราก็สติไม่ได้พุทโธก็เอาสติแบบนี้และกันปัญญาโอเคเราตั้งอยู่กินออกมาก็ออกไปกินเข้าปากออกไปเอ้วน้ำหนักลดลงไหมลดลงมาเห็นลดแค่สามปอนด์เองมันก็เห็นไม่ลดเลยคก็ยังดีก็ยังดี ทำไเรื่อยๆมันค่อยๆลดใช่ค่ะโยมอยากสุขภาพแข็งแรงแบบพระจาระค่ะแล้วก็พระอาจารย์คะถ้าเรามีปัญญาถึงขั้นที่แบบโสดการที่เราเรียกตัวเองว่ามีปัญญานี้คือเหมือนกับผ่านไตรัก็คืออันนี้แน่ค่ะคือคําถามโยมคือถ้ามีปัญญาคือเราสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการเห็นไตรักหรือว่าสมมติถ้ามันมีอะไรที่มันทําขัดใจเราอย่างเงี้ยล่ะคะ เกิดแล้วแก้ปัญหาเกิดความทุกข์ใจแล้วได้แต่ปัญหาอย่างอื่นเแก้ไม่ได้ออค่ะดูก็จะไปติดยาเสร็จติดนี้เราไปแก้ไหมเขาไม่ได้แต่เราทีแก้ความทุกข์ใจของเราที่ไปทุกข์กับเขาได้อยู่เราไม่ทุกข์กับเขาก็คือไม่ทุกข์กับเขาไม่อยากไม่คือมันก็เหมือนกับที่พิจารณาบอกแอปเปิ้ลก็เปลี่ยนเป็นส้มไม่ได้มันก็มองภาพตามความเป็นจริงนี่คือการมองตามความเป็นจริงเขาไม่ได้แต่เราทำให้าจเราไม่ทุกข์ได้ด้วยการยอมรับความจริงของเขา ค่ะไม่ใช่ว่าเห็นแอปเปิลสีแดงเป็นสีส้มไม่ใช่ค่ะพระอาจา์ันี้ไม่มีอะไรค่ะเขาสันทอดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวคราวหน้ามายมจะมารายงานรถขี่ปอนต์โอเคค่ะสาธุค่ะคุณชนะดาคนสุดท้ายวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเสียชาพวกนี้มาใส่บาทสุดนะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะ ค่ะเออรอบที่แล้วลูกค้ามาสามท่ า, มทานเออเอาร้ อ, องไห้เลยค่ะพระอาจารย์เขเป็นแฟนคลับพระอาจารย์มานานแล้วค่ะอะไปพมได้เจอตัวจริงเลยกรี๊ดขึ้นมาเลย <laughs> นะเออลูกก็ดีใจนะบอกว่าเออพาเขามาเขาบอกเขาอยากมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะมายังไงอะไรเงี้ยค่ ะ, ะแต่บังเอิญพอเพิ่งได้รู้จักกันนะคะพระอาจารย์พอจดนปุ๊บเขาก็มาเลยเขาก็าดีใจมากอืค่ะพระอาจารย์ รูกดีใจไปด้วยค่ะนี่เป็นสะพานมูลให้กับเขานะค่ะก็ช่วงช่วงยังไม่ปวดอะไรนี่ค่ะพระอาจารย์ก็ทํานี้ไปก่อนค่ะพระอาจารย์คทำทานรักษาศีลไปค่ะพระอาจารย์ทําทานรักษาศีลค่ะพระอาจารย์โอเคนะค่ะค่ะพระอาจารย์คะจิตจิตอ่ะเวลามันเออคือช่วงช่วงเนี้ยลูกก็นั่งสมาธิทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เรียนท่านพระอาจารย์ไว้อ่ะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอมันนั่ง พอมันนั่งดีสงบดีแล้วพอได้เวลาเราจะนอนมันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะอาจารย์มันมันมันไม่ยอคิดมันคิดมากไม่ใช่หรอไม่ใช่สติหรอมันคิดต้องอ่ต้องใช้ดูลมไปแล้วพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดค่ะอือดูกันด้วยว่าจิตมันไปผูกอยู่กับกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องหนก็ต้องหยุดคิดอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไร แล้วเราก็สั่งจิตไม่ได้อะค่ะพระเราสั่งจิตให้มันไม่คิดก็ไม่ได้มันก็ได้ไงโดยการเดิมเบนเดิต้องพุทโธพุทโธเอาเอาจิตนะผูกไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะมาคิดอยู่พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หลับค่ะพระอาจารย์ค่ะดูดูลมไปก็ได้แต่อย่าอย่าไปอยากให้หลับนะยิ่งอยากหลับยิ่งไม่หลับใหญ่นี่ไม่หลับใช่ค่ะพระอาจารย์ อ่าเราคงพูดโทรไปจะหลับไม่หลับไม่เป็นไรจะให้อยู่กับพูดโธไปแล้กวกันอย่าไปหับหแต่ถ้าพูดโธรไปแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่หลับสักทีนี่ไ ม, ม่คิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วค่ะค <c oughs> ่ะท่าพระอจากวันนั้นลูก็ฝันว่าเออซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาพาตกเหวค่ะพระอาจารย์ลูกกูกล่าวว่าตายแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแล้วก็ลูกก็คิดว่าตายพอตกไปปุ๊บลูกก็ตายวิญญาณหลุดออกจากแก้วมาเลยค่ะพอาจารย์แล้วลูกยังดีใจว่าเอ อ, เ อ, อความตายเป็นอย่างนี้นี่เองจิตบรรลุมามก็สบายดีนี่หว่าไม่เห็นมันเป็น <laughs> ใช่ใช่สิสบาย <laughs> สบายบายิ่งกว่าตอนมีร่างกายสิแ <laughs> ล้วแล้วเขาว่วาเออสบายดีนี่นาะตายแล้วแล้วลูกก็ไปนู่นไปนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองไปไปหาคนนู้นคนนี้เขาจะมองเห็นเรามาไหมว่าเราตายแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอดีก็ไปเห็นแม่ชีย นั่งเป็นแถวเลยค่ะนั่งภาวนาอ้าวนี่ไงตายแล้วก็เลยไม่ได้มาภาวนาแบบแม่ชีไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดอีกอะไรเงี้ยลูกก็ไปอย่างนั้นอีกค่ะพระอาจารย์ลูกก็ยังแบบเออมันต้องภาวนาไปให้เรื่องง่ายขึ้นเรื่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยค่ะพระอาจารย์มันสบายมากเลยค่ะเรื่องก อ, อ, องใจเสียด้ซ้ำไปถ้าเราปล่อยวางได้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ ค่ะพระอาจารย์โอเคนะอา่านะได้ไหมพอาจาได้กลับค่ะคอบคุณพระอาจารยไม่กี่คำกลับนมัศการครับพอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ o กเท่าค่ะคําถามแรกกลับน้ำมัศคารพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังครับกลาบขอพระคุณครับเราให้เห็นมันไง เราเห็นแค่ห้าอาการทั้เห็นผมขนเลือดฟันนังแต่เราไม่เห็นส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเราต้องมองทะลุเข้าไปให้ได้เพื่อเราจะได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่เราเห็นจากตาเรานี่มันสามารถมาหลอกเราได้เพราะสามารถปรุงแต่งทําให้มันดูสวยงามได้ ท, ทําเข่าทำผมเย้อมผมอแต่งหน้าทาปากทาคิ้วเอ้ย เสริมหนังเสริมเนื้อตรงนั้นตรงนี้ได้แต่พอเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยทีนี้ไม่มีอะไรจะมาดอกก็ได้ลนะใต้ผิวหนังก็มีโคงกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งเผื่นไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยต้องต้องคิดถึงอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง แล้วความหนงที่จะคิดว่าร่างกายนี่น่าดูน่าชมก็จะหายไปการมาันลมก็จะไม่เกิดอันนี้คือพิจกตรพัชราร่างกายคำถามสุดท้ายกลาวนมัสการครับการที่เราหลับตาทํำสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างภายในส่องให้เห็นอวัยวะภายในอย่างชัดเจนและเป็นภาพที่ขยายใหญ่เหมือนมีกล้องขยายให้เห็นภาพเหล่านี้เป็นนิมิต บอกให้เราใช้อวัยวะที่เห็นนั้นมาเป็นกรรมฐานในครั้งต่อๆไปโดยไม่ต้องพิจารณาอวัยวะอื่นอีกหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับก็แล้วแต่เราเป้าหมายของการพิจารณานั่งกาย ก, ก็เพื่อให้เราละความอยากอยากเสพกามเนี่ยอยากจะมีคู่ครองแล้วก็ให้เราเห็นว่าร่างกาย น, น, นี่มันไม่เที่ยงหรือไม่มีตัวตน ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอามาใช้สอนใจเราให้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ท่านทั้งนั้นนะหมดแล้วใช่ไหมแหมหมดแล้วค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ mm hmm. ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจะนำมาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเบ บ, เ บ, บทอแบบ